เจริญพรญาติโยมผู้ปฏิบัติธรรมทุกๆท่านครั้งนี้คืนนี้เป็นเช้ามืดของคืนที่สามก็เท่ากับเป็นครั้งที่หกครั้งที่หกเราก็ได้พูดกันเรื่องปฏิจจสมุปบาทอย่างมากมาย ส่วนมากก็เป็นข่ายเกิดหรือข่ายเกิดทุกข์แล้วก็ข่ายดับทุกข์บ้างประปรายเรื่องอริยสัจสี่นี่เป็นเรื่องที่จำเป็นเรื่องขันห้าก็อพอสมควรที่นี่ก็เรื่องปฏิจจสมุปบาท ก็คือเรื่องเดียวกันทั้งนั้นทั้งหมดนี่เรื่องเดียวกันหมดเรื่องปฏิจจสมุปบาทวายดับทุกข์นี่จะเอาโดยเฉพาะวายดับทุกข์มันก็มีไม่มากเกินไปอยู่ที่เราปฏิบัติให้โยมทุกท่านเปิดหนังสือปฏิจจสมุปบาท เพราะคนที่ไม่จำจะได้เห็นว่ามันเป็นอย่างไงหัวข้อแต่ละข้อแต่ละข้อวิาจาสังขารวิญ ญ, ญาณนามรูปอยายตนะผัช า, าติเวทนาตัญหาอุปาทานภกชาติจรามรณนะโศกะปริเทวะทุกโทมนัสสะอุปายาน นี่คือปฏิจจัสัพ ม, มาบาทควายเรียกว่าที่รวมกลุ่มรวมกลุ่มกันฝ่ายเกิดก็อยู่ตรงนี้ควายดับก็อยู่ตรงนี้ทีนี้ฝ่ายเกิดทุกฝ่ายเกิดทุกเพราะ มีอวิชชาเป็นปัจจัยเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงเกิดสังขารเพื่อที่จะให้จำได้ง่ายง่ายอาวิชชาเปรียบเหมือนคนตาบอดเด็กจูงอวิชชานะสังขารสาม อวิชามก็มีอวิชาเดียวแหละโง่ไม่ต้องมากหรอกโง่เดียวก็พอแล้วกินไม่หมดแล้วอวิชาราะความโง่นั่นแหละเพราะจิตที่มันโง่นั่นแหละมันทําให้เกิดสังขารขึ้นมาจิตงโง่ที่พูดซ้ำซ้ำซากซากคือจิตที่ไม่ได้ฝึก จิตที่ทำอะไรคิดอะไรรู้อะไรขึ้นมาด้วยสัญชาตญาณสัญชาตญาณก็คือสัตยรชาสนั่นแหละสัตยรชานที่ทำอะไรก็ทำตามสัญชาตญาณทำตามอำนาจแห่งความเคยชินสัญชาตญาณ ธรรมชาติมันบอกให้รู้ให้เห็นให้ทำสัญชาตญาณแห่งการกินอาหารอย่างนี้มันก็รู้ว่าหิวถ้าไม่กินอาหารมันก็ตายนี่เป็นสัญชาตญาณถ้ามันก็หากินหากินมันต้องรู้อะไรกินได้อะไรกินไม่ได้ตอนแรกมันก็อย่างนั้น คนที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็อย่างนั้นเนี่เหมือนกันเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งเมื่อเกิดคนขึ้นมาคนก็เหมือนสัตว์เหมือนกับหมูสัตว์นั่นแหละเพราะมีการกินมีการหลับนอนพักผ่อน้าก็หาอาหารกินตามสรรชาตรยาน การกินอย่างหนึ่งการหลับนอนอย่างหนึ่งการเสพกามอย่างหนึ่งเกิดความกลัวขึ้นมาหนีไปอย่างหนึ่งเหมือนกันคนกับสัตว์นี่เหมือนกันคนก็คือสัตว์ประเภทหนึ่งสัตว์ก็คือสัตว์คนก็คือสัตว์ดังนั้นคนที่ไม่ได้ฝึกจิต มันก็มีค่าเท่ากันกับสัตว์ว่ามีค่าเท่ากันกับสัตว์มันห่วงเรื่องการกินการใช้สอยการผลิตการขายการร่ารวยการกักตุนมันเหมือนมันเหมือนกันหมดอะเหมือนกันหมดเหมือนกันหมดทีนี่สี่อย่างนั้นเหมือนกันการเสพกามก็เหมือนกัน กลัวแล้วหนีไปก็เหมือนกันเหมือนกันหมดนี่คือสัญชาตญาณสัญชาตญาณของสัตว์ทั้งหลายยานี้ถ้าถามว่ามนุษย์เกิดขึ้นมาเมื่อไรมนุษย์เกิดขึ้นมาเมื่อมีความรู้สึกว่าไม่ใช่ตัวกูแล้วก็ปล่อยวาง ทุกสิ่งทุกอย่างหมดไม่เข้าไปยึดมั่นถึงมันมนุษย์เกิดเมื่อเกิดพระพุทธเจ้าขึ้นมาพระพุทธเจ้าเป็นยอดของมนุษย์เป็นยอดของมนุษย์แล้วก็เป็นผู้นำนั่นคือมนุษย์เกิดทีนี้คนเ น, น, น่เกิดพร้อมๆกันกับสัตว์นั่นแหละเกิดพร้อมๆกันให้การเกิดทางเนื้อนหนังนี่ มันก็พัฒนากันมาเรื่อยแหละพัฒนากันมาตั้งแต่คนเป็นเกิดจัตน้ำขึ้นมามาเป็นจัตบกมันก็พัฒนาพัฒนาเป็นคนเป็นอะไรขึ้นมานี่คนก็คือฝูงสัตว์ฝูงสัตว์ประเภทหนึ่งแต่มันก็มีสัญชาตญาณที่ดีกว่าสัตว์เดรัจฉานเพราะมันพัฒนาเรื่อย คนพัฒนาเรื่อยพัฒนาจนเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ขึ้นมาได้เป็นมนุษย์ขึ้นมาได้มันก็สามารถที่จะเหยียบความทุกข์เอาไวา้ใต้ฝ่าเท้าของตัวเองคือพลิกความทุกข์ไว้กัางใต้ไม่เอาความทุกข์มาทูลมาแบกมาหา มาหาเมาวายเขาก็อยู่กับความสงบเย็นนีจิตของมนุษย์นั่นแหละเขาก็อยู่กับความสงบเย็นนี่เราก็ผ่านเรื่องต่างๆมานนะเรื่องจนเรื่องมีเรื่อ ง, องลาบากยากเข้นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างผ่านมาแล้วแต่ส่วนมากคนจะไปติดที่ ทรัพ ส, สมบัตินั่นแหละติดที่ทรัพย์สมบัติแล้วกวตายกับทรัพสมบัติมันปล่อยวางไม่ได้ไปไปมาๆก็ไปตายกับตัวกูตายกับตัวกูแล้วตายกับของกูตายกับสิ่ง น, นั้นนะเพราะมันขาดปาวิตายานปาวิตายาน สัญชาตญาณมันมีกันมาแล้วทั้งคนทั้งสัตว์แต่คนพัฒนาสัญชาตญาณ น, นั้นหรือว่ายินอวิน ญ, ญาณธาตุนั้นให้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้ น, นให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นจนรู้ว่าความทุกข์นี่คืออะไร ทุกสิ่งทุกอย่างมันมาจากเหตุดังนั้นทุกนี้มันก็ต้องมาจากเหตุมันก็มีสาเหตุของมันทั้งนั้นบางครั้งเวลาคนไปถามท่านอาจารย์พุทธทาสท่านก็ตอบว่าสุดแล้วแต่เหตุปัจจัยลองรอเอามาใช้ดูดิสุดแล้วแต่เหตุปัจจัย ถ้าหากว่าเราทำดีคิดดีพูดดีถึงที่สุดแล้วไม่ใช่ดีข้าวข้างตัวไอ้ดีจริงๆดีก็ไม่เอาคิดดีพูดดีทำดีอะไรตัวนี้มองดูที่เมื่อคืนที่พูดคิดดีพูดดีทำดีก็คือสังขารดีนั่นแหละสังขารดีนั่นแหละ สังขารคือการคิดการทำการพูดคือสังขารนี่แต่คิดดีพูดดีทำดีมันก็ดีมันก็ดีนั่นแหละนี่คิดดีพูดดีทำดีจนอยู่เหนือดีมาจากไหนกันคิดดีพูดดีทำดีมันยังไม่พอการหน่อย เขคิดดีพูดดีทดําดีหลงดีส่วนมากจะหลงดีพอหลงดีเอาวิชาครอกทันทีเลยนี่จุดแล้วแต่เหตุปัจจัยเห็นไหมคิดดีพูดดีทดําดีเอาเราทำดีทุกอย่างคิดดีทุกอย่างทําดีทุกอย่าง แต่ทำไมมันยังเป็นทุกอย่างนี้เพราะอะไรเนี่ยเพราะข้าวไปยึดมั่นถือมัน่นข้าวไปยึดมั่นถือมั่นว่ากูคิดว่ากูทำว่ากูพูดเรื่องทั้งหมดนี่ที่เราจะต้องถอนออกไปนี่คือตัวความยึดมั่นถือมัน่น สัพเพธรร ม, มานาลังอภินิเวสายะสิ่งทั้งปวงก็คือทำทั้งปวงนั่นแหละไอ้คิดดีผดดู้ดีทําดีนั่นแหละสิ่งทั้งปวงอันใครใครไม่ควรเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นว่าเป็นตัวตนว่าเป็นของตนอย่าเอามาเป็นตัวกูของกูทางนั้นเลย อยู่ที่ความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นเลยพระอราหารันต์แปลว่าเวน้นเว้นแปลว่าเวน้นพระโสดาบันที่พูดมาแล้วนั่นแหละจะประเด็นให้ได้ท่านละสกยาติทีความเห็นว่าตัวกูวิจิิจฉาความลังเลใจในประพุทธในประธรรมในประสง์ ก็เพราะไม่รู้จักพระพุทธประธรรมประสงมันก็ยังมีความลังเลใจอยู่พระสง์ไม่ใช่ที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองจะเดินไปเดินมาอยู่นั่นเปลือกพระสง์พระอริยสงฆ์ตัวจริงท่านมีจิตที่สงบเย็นพระธรรมคือความสงบเย็นความสงบเย็นที่เป็นธรรมชาติ ที่มีอยู่แล้วที่เราจวบว่าพระพุทธเจ้าจะเกิดขึ้นก็นตามไม่เกิดขึ้นก็นตามธรรมชาตินั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วพระธรรมคือแหล่งแห่งความสงบเย็นที่มีอยู่กู้โลกกู้จั ก, กรวาลพระพุทธเจ้าผู้ค้นพบ ความสงบเย็นตัวนั้นน่พระองค์ก็ออกมาตีแผ่ว่านี่นการที่เข้าไปยึดมั่นถือมัน่นมันหนักมันร้อนต้องปล่อยวางการเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในรูปในเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณแล้วก็รู้จักปล่อยนั่นแหละ แต่มันปล่อยไม่จริงปล่อยรูปวางรูปแต่ไปยกขึ้นไปยกเอาเวทนาขึ้นมาแบกอีกปล่อยเวทนาอเอาสัญญามาแบกมาทูนอีกปล่อยสังขานก็เอามาแบกมาทูนอีกจะเปลี่ยนกันอยู่อย่างนั้นทีนี้ตัววิญญาณมันรู้ ตามสัญชาตญาณแต่ไม่รู้ว่าตัวเองมันเข้าไปยึดมั่นถึงมั่นไม่รู้ภายนอกรู้หาเรื่องเรียว่าหาเรื่องหาเรื่องออกมาทุกมันรู้รู้ด้วยก็ทำทำแล้วก็พูดพูดแล้วก็ศึกษาศึกษาแล้วก็รู้รู้แล้วก็ทําทําแล้วก็พูดรู้ทางนั้น แต่ทำไมมันทุกข์เพราะไม่รู้จักปล่อยไม่รู้จักปล่อยไม่คือไม่ชื่อว่าญาณทัศนะไม่ชื่อว่ารู้ในอริยสัจรู้ผิวเผินรู้แต่จะเอาจะได้จะมีจะเป็นรู้ในฝ่ายที่จะทำให้เกิดทุกข์งานนีคือตัวรู้ ทีนี้อาวิชาอาวิชาแม้แต่รู้เราต้องแยกไ้ออกว่ารู้วิชาหรือรู้อาวิชารู้ของสุนทรผู้ไปตามกรรู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีรู้เห็นแก่ตัวกันทางนั้นเลย รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดีกันรู้เอารู้ได้รู้มีรู้เป็นถ้าเป็นข้าราชการรู้อย่างนี้เหยียบหัวเพื่อนเหยียบหัวเพื่อนไปหมดแล้วตัวเองก็ไปเป็นใหญ่เป็นโตเพราะเหยียบหัวเพื่อนไปนี่ รู้อะไรไม่สู้รู้วิชารู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี น, น, นันรู้ที่กรอนมันพาไปแต่รู้แบบของจนตอนผู้นะไม่ได้รู้อย่างนั้นไม่ได้มันดับทุกไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นเบียดเบียนสัตว์อื่นเบียดเบียนสิ่งอื่น เอารำ่ำเอารวยเอาเกียรติยศชื่อเสียงให้ตัวเองเพื่อนจะเป็นยังไงไม่รู้นี่เห็นมใช้ไม่ได้รู้อย่างนั้นทีนี้คิดจริงพูดจริงทำจริงแต่รับผลจริงมาจากไหนจริงนี่มาจากไหน ก็มาจากตัวรู้จริงรู้จริงคือตัววิชาไม่ใช่อวิชารู้ที่เรียกว่ารู้แต่เรื่องโกโกงเรื่องเข้าข้างตัวเอามาก้าข้างตัวหมดมันรู้ที่ความรู้ที่มันเรียกว่าเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัว เมื่อเห็นแก่ตัวมันก็หนักตัวนั่นแหละหนักตัวมันไม่ไปหนักอยู่ที่ตัวหรอกมันหนักที่จิตหนักอยู่ที่จิตทางนั้นนี่เอาวิจาหรือวิจามันต่างกันที่ตรงนี้แหละต่างกันที่รู้ประเภทหนึ่งรู้แล้วเข้าไปยึดมั่นถือมัน แต่การรู้อริยสัจคือทุกขโมทัยนิโรธอริยมรรณนี่การรู้อริยสัจคือการรู้ที่โปรยวางรู้ถึงโจรของมันว่าเป็นยังไ ง, งเสร็จแล้วออกมาขยายเป็นยังไงทุกกระเพริดได้เกิดทุกฝ่ายนี้เป็นยังไงความดับทุก ้นทางให้ถึงความดับทุกข์นั่นรู้ฝ่ายที่ถูกต้องแล้วก็เอาไปดับไปดับฝ่ายที่มันทำให้เป็นทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์ทำราวดอยมีเหตุเป็นแดนเกิดพระตถาคตตรัสเหตุแดงทำนั้นเหตุก็คือฝ่ายเกิดทุกข์ กไยที่เป็นราคะโทสะโมหะวายที่เป็นสมุ ท, ทยัยเรียกว่าสมุ ท, ทยัยท่านลองหลับตาดูดิรู้ทุกข์กับเหตุให้เกิดทุกข์มันมาจากเหตุมันทางนั้นมาจากเหตุมันทางนั้นจึงเรียกว่าสุดแล้วแต่เหตุปัจจัยถ้าเหตุปัจจัยมันดี เหตุปัจจัยราคะถูกดับโตสาถูกดับโมหะถูกทดแทนด้วยวิชาด้วยสติปัญญาแล้วก็ดับเป็นยังไงสุดแล้วแต่เหตุปัจจัยอีนนี้ความทุกข์มันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ถ้าเหตุมันดีเหตุมันดี ปัจจัยดีเหตุดีปัจจัยดีส่งเสริมกันดีอะไรดีเรามาปฏิบัติธรรมก็อาศัยเหตุปัจจัยเราฝักใยในเรื่องที่ดีให้เราก็คิดดีเราก็พูดดีเราก็ทาดีมันเริ่มแล้วมันเริ่มที่จะดีแล้วแต่ว่าดีนั้นต้องเป็นดีที่ไม่ถูก ยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ดีหน้ามอดีไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ว่าอะไรไม่ยึดมั่นถือมั่นหมดแต่ไม่ยึดมั่นถือมั่นไม่ใช่ว่าไม่ไม่คิดไม่ทําไม่พูดคิดทําพูดไม่มีกูไม่มีกู ไม่มีกูผู้คิดไม่มีกูผู้ทำไม่มีกูผู้พูดเอาอะไรมาคิด อ, อะไรมาทำเอาอะไรมาพูดก็สติปัญญาตัววิชญานั่นแหละตัววิชาตัวนั้นเรียกว่าสติปัญญามันหลายตัวมากเรียกว่าปัญญาก็ได้เรียกว่าวิชาก็ได้ เรียกว่าความดับทุกข์ก็ได้เนี่ยมันได้ทั้งนั้นเลยเรียกว่านี้โรดก็ได้เรียกว่าญาณทัศนะก็ได้ได้ทั้งนั้นให้มันดับทุกข์ได้ก็แล้วกันตัวไหนก็ได้ไอ้มันดับทุกข์ได้เนี่ยถ้าเหตุมันดีผลออกมาก็ดีทุกข์น่ยมันเป็นผลเหตุที่เกิดทุกข์สมุทยัยเน่ยมันเป็นเหตุ นี่โรธอะมันเป็นผลอริยมรรคไม่องอแปรอะมันเป็นเหตุนี่มันเป็นผลแล้วมันก็เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็เป็นเหตุเหตุเป็นทุกข์เหตุเป็นทุกข์เรือว่าผลเป็นทุกข์ก็เพราะเหตุมันไม่ดีเหตุมันไม่ดีที่แล้ผลมันก็ออกมาเป็นทุกข์ ในภาษาศาสนากรีกก็ว่าปลูกพลิกมันก็ออกมาเป็นพริกปลูกมะเขือมันก็ออกเป็นมะเขือมันจะออกเป็นอย่างอื่นไม่ได้นี่เราจรึงพูดว่าจุดแล้วแต่เหตุปัจจัยนี่พราอมันเป็นทุกข์ขึ้นมาแล้วไปปวดหัวทําไมดู ดูเหตุเหตุมันมาจากไหนเหตุมันมาจากไหนไอทน้ทุกข์น่ะมันผลทุกข์น่คือผลมันผลมันมาจากเหตุผลมันมาจากเหตุผ ล, าาหตผลเป็นทุกข์ก็เพราะเหตุมันไม่ดีผลไม่ทุกข์ก็เพราะเหตุมันดีเหตุมันดีจนเกินดี ก็คืออริยมรรคกับนิโรธทำแล้วเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วคิดคิดขึ้นมาที่ไหนก็เบาใจเบาใจไม่ยึดมั่นถือมัน่นก็คือเหตุเราปฏิบัติตามอริยมรรคนั่นคือเหตุดีเพราะเราปฏิบัติดี ข้าวใจดีตามสมาธิได้ดียงยกขึ้นถูวิปั จ, จนาแล้วกว่ารู้ได้ดีรู้ว่าไม่ยึดมั่นถือมัน่นยอดพระธรรมอยู่ที่ไม่ยึดมั่นถือมัน่นยอดพระไตรปิฎกก็อยู่ที่ไม่ยึดมั่นถือมัน่นนี่ก็คือเหตุดีเหตุก็คืออริยมรรคไม่องแปดเราศึกษาดี เราจำดีเราเข้าใจดีเราปฏิบัติดีทุกขั้นตอนทุกขั้นตอนตั้งแต่สัมมาทิฏฐิความเห็นอันถูกต้องเห็นอริยสัจสี่ 4, ตอนหนึ่งเห็นขันห้าตอนหนึ่งเห็นปฏิจจสมุปปบาทตอนหนึ่งแนวสัมมาทังกับโปดำรีในการออกจากกาม เหตุทางนั้นเหตุทางนั้นในกามวัตถุในกา ม, ก, ามกิเลสไม่คิดมุ่งร้ายไม่คิดเบียดเบียนไม่คิดทําร้ายเหตุดีมีศีลเพื่อผู้อื่นเพื่อผู้อื่นเพื่อผู้อื่นมีกี่ข้อกี่ข้อกี่ข้อ จะนับกันไม่ไหวศีลของพระนี่กี่ข้อกี่ข้อกี่ข้อสีนโยมก็มีศีนก็มีศีนแปดสีนเนนก็มีศีนสิบสีนพระก็มีศีลช่องยยี่ิบเของนางพิกนีก็มีสามรอยกว่าสีนเนี่ยก็มีไว้ขัดเกล้าไว้ปราบ กิเลสมันที่มันหยาบหยาบทางกายหยาบทางวาจาเอาปราบเอาศีลนี้ไปปราบข้อเรียวกว่ากั้นข้อเอาไวอย่างนี้อย่าทําอย่างนี้อย่าทําอย่างนี้อย่าทําทําแล้วมันผิดอ่า หลวงพ่อหลวงพ่ออะไรพระพุทธโกษาจารย์หรือว่าหลวงพ่อที่ก็นับถือที่วัดระฆังนะนวัดระฆังจำไม่ได้ตอนนี้กี่คนก็ชอบแขวนๆ น, น, นั่นแหละตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่นะั้นท่านไปเทศไปบรรยายอะไรเสร็จกลับมา กลับมาตอนภาคคำพระก็ยืนปัดสาวะยืนปัดสาวะทีนี้ถ้าเราเห็นนะก็มันไม่สวยไม่งามแต่ถ้ามันจำเป็นจริงๆมันเอาไม่ทันแล้วก็ได้นะอันนั้นไม่มีปัญหาแต่นั้นมันเป็นนิสัยท่านไม่ได้เห็นครั้งเดียวหรอกไอ้ท้านว่าอ้นี่คุณทำไม่ถูก ต้องยกขาขึ้นข้างหนึ่งที่พอยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งมันอะไร น, นั่นเลยก็ไอ้พวกสี่ขานั่นแหละที่มันปัดสาวะนะ่งยกขาขึ้นมาข้างหนึ่งแต่ท่านจะพูดว่าอั น, นี้มันหมานี่ท่านไม่พูดอย่างนั้นหรอกเอ้ยกขาขึ้นจากข้างยกขาขึ้นจากข้างนี่นี่เกิดศีล ศีลนหน้าที่สำหรับที่คือขูดเรากายวาจาแต่ปัญญามีหน้าที่ขูดเราตัวกูของกูกิเลสตัณหาอุปาทานนั่นก็คือเอาวิชาตัณหาอุปาทานมีหน้าที่ในการขูดเราขูดเราแล้วก็ยังไม่พอถอนต้องถอน สมาทิตีสมาชังกับโป่นั้นมีหน้าที่ในการถอนรู้จักยอดมันเป็นอย่างนี้ใบมันเป็นอย่างนี้ลำต้นมันเป็นอย่างนี้รากมันเป็นอย่างนี้พืชพันธุ์มันเป็นอย่างนี้อันนี้มันมีพิษนี่ต้นไม้ต้นนี้มันมีพิษนี่มีพิษก่อไปตัดกินก้านสาขาขึ้นมาอีก ไม่พอหรอกอเฉพาะเด็ดสีน่มันไม่พอหรอกถ้ากอาบบว่าเราไปตัดกิ่งก้านสาขามันมันก็ยังงอกขึ้นมาอีกเอาตัดที่โคนมันแตกอีกแตกอีกเนี่ยคือสีแตกอี ก, ก, อ ก, ก, อ ก, อกทำยังไงคุดมันเลยรากแก้วรากฝอย ขูดได้หมดขูดขูดขูดขูดขุดแน้วออกมาผ่ายไอ้เล็กเล็กเล็กมาผายไ้เล็กเล็กตาเป็นต้นไม้ก็ผายมันเล็กเลกไม่ใจเล็กๆ็จนเป็นเเสี้ยนเล็กๆแค่เท่าข้อมือก็พอผายเล็กเลเอาไปไหนทีนี้ตากแดดตากแดด พระพุทธเจ้าตรัสว่าเอาเผาแล้วก็เอาขี้เท้าไปโรยโปรยลงในแม่น้ำแต่ว่าเราทำโดยวิธีที่ว่าให้มันเป็นประโยชน์ขุดแล้วเอามาผ่าตัดให้เป็นชิ้นชิ้นชิ้นเป็นชิ้น แ, แนก้หนึ่งอกหนึ่งอกหนึ่งอก ต้นไม้นี้มันมีพิษทีนี้ก็เอามาเผาไฟเผาไฟถ้าถ้าเราเอามาทําเป็นเชื้อเพลิงมันก็ได้มันไม่ไม่เผ า, าไปจะฟรีฟรีจะได้ประโยชน์ไอ้ น, นี้จะ แ, แล้วมันไม่ได้เพราะว่าแม้แต่ควันไฟมันก็มีพิษอีก เพราะต้นไม้มันมีพิษก็ต้องเอาไปเผาศบนะนะอย่างนั้นเอาไปเผาศบดีที่สุดแต่ตอนนี้เขาก็ไม่เผากันแล้วก็ฝฟืนเทคโนโลยีมันเจริญใส่น้ำมันหรือว่าใชา้แกสเปิดสวิตช์รู้ออกมาเลยทีนี้ เอากระดูกไม้ศพนี้ไม่เอากระดู ก, กเผาหมดกระดูกกระเดี่ยวไม่เหลือเลยเทคโนโลยีจลเจริญอย่างนี้นี่เรียกว่าต้นไม้ที่มีพิษก็คือต้นอวิชามันมีพิษมันมีพิษเราต้องจัดการกดรากถอนโคนให้หมดทั้งกุด ทั้งถอนทั้งออกมาตัดทั้งทําให้มันแห้งหมดให้มันหมดฉะนั้นสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปมีความสัมมาทิฏฐิมีความเห็นอันถูกต้องเห็นอย่างละเอียดเห็นขวายเกิดทุกเป็นยังไงขวายดับทุกเป็นยังไงแล้วก็เลย รณรงค์กันในเรื่องฝ่ายดับทุกมารวมหัวกันมาฟังธรรมกันปฏิจจสมุปบาทเป็นยังไงความทุกข์เป็นยังไงเหิดไ้เกิดทุกข์เป็นยังไงข่ายที่จะเอามาดับจะปฏิบัติยังไงได้ผลแล้วเอามาดับยังไงนี่เราต้องเข้าใจ ฉะนั้นมันจุดแลแต่เหตุจุดแลแต่ปัจจัยก็คือจุดแลแต่เหตุผลเหตุดีผลก็ดีเหตุไม่ดีผลก็ไม่ดีทีนี้เมื่อเหตุปัจจัยที่ทาให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาก็คือราคะโทสะโมหะแล้วก็ทำให้เกิดอวิชชาเราไม่รู้จักอวิชชาจับอวิชชาขึ้นมาแบกเลย บอดเลยทีนี้ตั้งบอดตั้งหนวกทั้ ง, งโง่แต่ไม่ใช่บอดตาหรอกปัญญาบอดปัญญาบอดมันก็บอดหมดนะ้นาท่วมว่ามันท่วมไหมที่ดูที่ว่าน้ำท่วมแต่ว่าเป็นยังไงจิตใจเสียไหมอา้ามันท่วมตอนที่เกิดกูก็ไม่ได้เอามา ท่วมบานท่วมชอม่องแต่กูตายกูกูไม่ได้เอาไปน้ำท่วมน้ําแห้งแต่มันน้ําไม่พัดไปก็ค่อยปรับปรุงใช้มันได้อีกอยู่มันได้อีกแต่ถ้ามันไม่ท่วมมันไม่ท่วมเพราะเราทํามันดีอะไรมันดีมันเราระมัดระวังเรารู้การล่วงหน้าเอาไว้ก่อน มันก็ไม่มีอะไรเสียหายแต่แต่และจิตของเราต้องดีจิตต้องดีต้องเหน่งกว่าวาเหน่งกว่าวานี่พอน้ําท่วมน้ําก็พัดจิตเราไปด้วยพัดไปหมดสติปัญญามันก็เอาไปหมดก็เลยทุกข์ที่นี่มันก็ทุกข์ไฟไหม้อ๋อมันก็ไหม้ดิก็ไหม้นี่ เพราะเหตุมันไม่ดีผลมันก็ไม่ดีเกิดไฟไหม้ขึ้นมาเกิดน้ําท่วมขึ้นมาเกิดภูเขาหอยระเบิดขึ้นมาเกิดสึนามิขึ้นมาเกิดแผ่นดินไหวขึ้นมาอะไรขึ้นมาระวังอย่างเดียวจิตอย่าไหวจิตอย่าไหวอย่าไหวไปตามสิ่งเหล่านั้น เมื่อจิตไม่ไหวอารมณ์นั้นก็ไม่มีก็คือไม่มีอารมณ์นั่นแหละจิตไม่ไหวเขาดา่านิ่งเขาดา่าจิตนิ่งเขามายกย่องฉันลัน่งเสรินมาลูปมาเป่ามาอะไรเอาอกเอาใจนิ่งนิ่งเรียกว่าไม่เป็นธาต ลาบยศสรรเสริญสุขไม่เป็นธาตนิ่งนิ่งจิตนิ่งจิตสงบจิตนิ่งจิตสงบนั่นแหละคือมันไม่ต้องไปรำไปตามกรงน้าท่วมก็กรงลมพัดก็กรง ดีใจก็กรองเสียใจก็กรองขึ้นตามกรองเรียกว่าขึ้นตามกรองมันก็เลยรำไปตามกรองนี่นี่คือจิตที่มันไม่นิ่งมันไม่นิ่งจิตนิ่งจิตรู้จิตไม่ออกก้าไปยึดมั่นถือมัน่นแล้วมันกล้าไม่ออกไปร่วมวงไปรำกับเขาด้วย ไม่ไปรำกับความทุกข์กับความเพลิดเพลินที่เ็าเรียกว่าความสุขเหล่านั้ น, นก็คอยดูว่าสงกรานนี้ตาย ก, กันกี่ร้อยอีกจวนมากก็พวกขี้เมาทางนั้นขี้เมาถ้าไม่ขี้เมาก็หลับหน่อยก็ตายกันที่ตายเม่ทตายังไง ถ้ามันไม่ประมาทมันก็ไม่ตายแต่มันประมาทถิงจะไม่สงกรานมันก็ตายมันก็ตายทั้งนั้นลาบยศสรรเสริญสุกเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาทุกเงาอะไรเนี่ยเราจะเอาอะไรลาบยศ สรนเสิญมีความสุขเสื่อมลาบเสื่อมยศถูกนินทาทุกเอาอะไรเขาก็เอาลาบเอายศเอาสรรเสริญเอาสุกแต่ผู้ปฏิบัติธรรมไม่เอาทั้งสองอย่างเพราะมันทุกข์ทั้งสองอย่างนั่นแหละ ราบยศสรรเสริญสุกทางเนื้อทางหนังตาหูจมูกลิ้นกาใจไม่เอาก็ไม่เอาก็แค่นั้นเองแค่นั้นเองพระอระหันต์เขาตั้งให้เป็นเจ้าอุณฉันราชฉันเทพฉันธรรมฉันรองสมเด็จไม่ไปรับเลยพัดไม่ไปรับเลย ไปรับยังไงก็ไม่ติดลาบติดยศไม่ติดเสนเสินจูกไปรับมันขายหน้ารู้สึกว่าขายหน้าคนหนึ่งพระองค์หนึ่งเป็นพระอาราหันต์แต่ว่าคนคนคนคนหนึ่งยังเสพกามอยู่ยังมั่วในเรื่องของโลกจนเต็มประดา เสรแล้วก็ให้ไม้มาอันหนึ่งแล้วก็ทําสีสันสวยงามพระอาหารหันจะเอาไหมไปรับนคนหนึ่งเป็นปุถุชนคนหนึ่งเป็นพระอาหารหันหลีบเลี้ยงพระอาหารหันหลีบเลี้ยงท่านไม่เอาหลีบเลี้ยง นี่เรารู้กันเอาเองเรื่องนี้แคนั้นพระอารหันต์เนี่ยท่านไม่หลงในลาบก็ไม่หลงในยศก็ไม่หลงฉันรัศเิญก็ไม่หลงในความสุขหรือในถูกนินทาว่าร้ายอะไรท่านก็ไม่หลงไม่หลงไปตามลมไม่หลงจิตของท่านหนักแน่น หนักแน่นอยู่กับความไม่ยึดมั่นถือมั่นท่านก็เลี่ยงได้อะไรก็เลี่ยงได้มันเลี่ยงได้ทั้งนั้นเลี่ยงได้ทั้งนั้นเกาดูตามความเหมาะสมเพราะฉะนั้นสิ่งที่อยู่กู้โลกก็คือลาบยศฉันเฉิญสุขสิ่งที่อยู่กู้กับพระอริยเจ้าทั้งหลาย ก, ก็คือการไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นให้ชาวโลกหัวเราะ เ, ล, เลิดเพลินดีใจฉลองเมื่อมีลาบมียศมีสันเหลืเสริญมีความสุขดูง่ายง่ายดีก็พระรูปไหนได้พระครูนั้นสัญญาบัตรได้เจ้าคุณ รับพัดมาแล้วก็ ม, มาโกดสนาฉลองกันกินกันเป็นการใหญ่ฉลองเพื่ออะไรได้เงินอีกแลยนั่นนะได้เงินอีกจฉลองก็เพื่อเงินอีกได้เงินอีกนี่ทีนี้ลองคิดดูเอาหน้าไปไหว้หน่อยอถ้าพระองค์นั้นเป็นพระอริยเจ้า ได้เป็นยศพระครูชั้นเอกชั้นโทมาฉลองกันเอาหน้าไปไหว้หน่อยกูเข้าป่าดีกว่ากูเข้าป่าดีกว่ากูไม่เอาแล้วเว้ย เ, เรื่องอย่างนี้ เ, เรื่องบ้าบ้าบอๆอย่างนี้กูไม่เอาเว้ยนั่นพระเรียเจ้าต้านไม่เอาฉลองก็เพื่อนลาบจ า, าระอีก นี่มันเพื่ออะไรกันนี่มันเรียกว่าศัตรูมันมากศัตรูคือกิเลสนั่นแหละมันมากมันทับถมมาจนมองไม่เห็นทีนี้เราหมดว่าหลวงพ่อนี่แหละเขาเอายศพระครูชั้นยาบัดฉันโตฉันเอกมาถวายเอาเจ้ากุลมาถวายไม่เอา ที่พอเราบอกว่าไม่เอาพระรูปอื่นๆก็จะว่าโง่จริงทําไมไม่เอาโง่จริงนี่ถ้าเรารู้ว่ามันหนักเดี๋ยไปเอาทำไมรู้ว่าสิ่งนี้มันหนักที่เขาให้เราเนี่เพื่ออะไรเพื่อที่จะใช้งานเราเหมือนเด็กๆอย่างนั้นไอ้นี่เธอ เอาเอาไปห้าร้อยเอาไปกินขนมนะดีใจได้เบ่งพันไปดีใจเอาไปกินขนมนะเอาไปกินขนมนี่เหมือนกันนะั้นแหละเขาให้เพื่อจะได้ใช้งานมันง่ายง่ายต่อไปนี่มันเป็นอย่างนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่ทางนั้นซ่อนอยู่ทางนั้นภายในทีนี้ พระอระหันต์ท่านรู้เออพระเรียกว่าผู้ปฏิบัติธรรมท่านรู้รู้วอะไรเป็นอะไรท่านก็ไปจับมันทําไมรู้ว่าอันนั้นคอยท่านก็ไม่กล้าไปจับไม่กล้าไปจับมันร้อนทําไมนี่มันสบายจิตที่สงบมันสบายอย่างนี้มันสบาย รู้ทันรู้ทันใครรู้ทันความทุกข์รู้ทันความทุกข์ถ้าอย่างนี้ความทุกข์มันมาเอตได้เกิดทุกข์ก็เพราะข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันถ้าอย่างนี้ความทุกข์มันจะไม่มานอนสบายนั่งก็ดสบายเดินก็ดสบายสบายคือสงบไม่ใช่สบายได้กินมากๆ ได้มีสรัพสมบัติล้อมรอบตัวในสบายนั้นสบายจอมปลอมแต่สบายที่ไม่ยึดมั่นถือมัน่นไม่มีอะไรจากนิดหนึ่งมันก็สบายจิตมันสบายขอทานถ้าขอทานคนหน่อยมันปฏิบัติธรรมแสนที่จะสบาย มันไม่ต้องมีความทุกข์มันไม่ต้องมีความทุกข์เพราะมันไม่มีอะไรที่อินุงตุ้งนังมันแต่ขอทานเดี๋ยวนี้ไม่ได้ก็ทําทเป็นธุรกิจไปเอาเด็กขเขมนมาเอามาทําเป็นกลุ่มขอทานจับจองคืนไปหรื่อขอทานที่ในกรุงเทพอย่างนี้จับมาจับมาเสร็จแล้วก็ รวมกระุง่สบสาสบใส่รถก็ไปปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยปล่อยคนนี้อยู่จุดนี้คนนี้อยู่จุดนี้คนนี้อยู่จุดนี้อยู่คนละจุดละจุดละจุดละจุดละจุดขอทานพอเย็นก็มารับกลับเอาเงินมารวบรวมจะคนเลี้ยงดูขอทานนั้น ส่วนหนึ่งที่เอาเลี้ยงแต่ส่วนหนึ่งที่มากกว่าเอาเข้าวกระเป๋านี่หากินกับขอทานมันก็มีหมดอะทุกอย่างมันมีหมดนี่เดียวก ค, คิดผิดพูดผิดทำผิดมันผิดทางนั้นไอ้นี่มิจฉาทิฏฐิทางนั้นทำไม่ รู้เป็นนักวิทยาศาสตร์รู้จักเยกแยะอะไรดีอะไรไม่ดีผลิตยาบ้าขึ้นมายาบ้าพอผลิตแล้วกินเข้าไปทำให้สมองเคลื่สบายเพราะว่าสารชนิดหนึ่งที่มันออกมาจากสมองมันมาเลี้ยง ก็จะไม่เกิดความสบายขึ้นมาชั่วคราวพอหมดมันก็ต้องกินอีกนี่ใครเป็นคนผลิตขึ้นมาก็นักวิทยาศาสตร์นั่นแหละมันผลิตยาบ้าออกมาชาวบ้านไม่ใช่เป็นนักวิทยาศาสตร์อย่างดีมันก็กินกระท่อมนั่นชาวบ้านนักวิทยาศาสตร์ มันปลิดเรื่อยยนขึ้นมาอะไรขึ้นมาพวกเรื่อยยนพวกอะไรต่างๆสามนาทีห้านาทีต้นไม้ขึ้นมาเป็นร้อยปีมันตัดเพรบเดียวห้านาทีจบแค่มันจะไม่หมดบ้านหมดเมืองไม่หมดโลกหร อ, อย่างนี้นี่มันส่วนดีหรือส่วนเสียลองคิดดูดิ คิดดูวิทยาศาสตร์มันเป็นดาบสองคมมันก็เป็นมิจฉสาธิตธีนั่นแหละเป็นดาบสองคมเป็นดาบสองคมถ้ามันดีก็ดีไปแต่ถ้ามันทำแล้วเช่นว่ามันคิดค้นเรื่องอยู่กเรื่องยาเอามาปราบโรค มันก็ได้ดีอย่างนั้นนี่มันไม่ได้ปราบโรคแล้วแต่ละโรงพยาบาลไอหัวเชื่อยาแก้ววัดจังกันมาเป็นหมื่นเป็นแสนขายพวกทำยาบ้านี่เห็นไม่จับกันไม่หยุดไม่หย่อนนี่แหละนักวิทยาศาสตร์แต่ไปไปม า, ม า, มานักวิทยาศาสตร์นั้นก็ ศาสตร์นั้นต้องมองเข้าไปข้างในอ ย, อย่ามองแต่ข้างนอกถ้านักวิทยาศาสตร์กลับลำมองเข้ามาข้างในเมื่อไรพิสูน์ราคะโทสะโมหะให้เห็นตามความเป็นจริงแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมั่นเมื่อนั้นนันนกวิทยาศาสตร์ จะไม่เอาแล้วข้างนอกไม่เอาแล้วนี่เห็นไหมแต่เดี๋ยวนี้มันยังเพลิดเพลินเพลิดเพลินแต่ตรตตราปินันที่นีไสยที่ทางเพลิดเพลินในสิ่งนั้นนันที่เราสวดธรรมจักเพลิดเพลินในสิ่งนั้นๆกามาตนาวาปวตัหาวิปวตัหามันเพลิดเพลินในตัณหาโน้น เพลเพลินในการตัณหาโนในภาวะตัณหาในพิวะทวิภาวะตัณหาโนมันเพลิดเพลินกรมสุขานิการุโยเพลิดเพลินมันเพลิดเพลินมีความเพลิดเพลินกันอยู่อย่างนั้นกิเลสมันก็ทําให้เพลิดเพลินแต่ว่าความสงบเย็นเพลินก็ไม่เอา ไม่เพลิดเพลินก็ไม่เอาอยู่กับความสงบตามเดิมตามธรรมชาติอยู่ตามธรรมชาติไม่ใช่ว่าตายไม่ใช่สมองตายสมองดีกว่าอะไรหมดมีสติปัญญาที่ลึกซึ้งลึกซึ้งเพราะไม่เห็นแก่ตัวลึกซึ้งจนกระทั่งว่า ไม่มีความทุกข์ความทุกข์เกิดไม่ได้จะระวังอยู่ตลอดเวลาระวังอยู่ไม่ให้ความทุกข์มันเกิดระวังจนชินข้อของสัมมาวายามะมีความเพียรในขวาการระวังนระวังอยู่ตลอดเวลารัมมาวายามะความปากเพียรชอบ ระวังระวังใครนะระวังจิตระวังที่ประตูระวังจิตเราคิดว่าจิตจะอยู่ภายในแต่จิตจริงๆนะไม่อยู่ภายในไม่อยู่ภายนอกหรอกก็จิตมันไม่มีตัวตนระวังจิตอยู่ภายในเล็งก็ไปภายในระวังประตูทางเข้า ตาหูจมูกลิ้นกายใจก็คือระวังตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ระวังความคิ ด, ใ จ, คดใจมันคิดใจมันคิดระวังความคิดด้วยแา่คิดดีก็ดีไปคิดไม่ดีก็ไม่ดีไปพูดก็ไม่ดีทำก็ไม่ดีเพียรในการระวังระวังประตูทางข้าวทางออก เหมือนกับเรามีวัดนี้เลยเราก็มีประตูคนเข้าคนออกมาเห่าไกรมากกลาง่้ากลางคืนปิดประตูล็อกกุญแจเราระวังระวังไครระวังโจนพวกมิจฉาทิฏฐินี่เพียรในการระวังเอาไว้เราก็มีประตูมีหน้าต่างหกบานนี่ระวังตาหูจมูกลิ้นกาใจ ระวังยังไงอย่าให้ข้าไปยินดีอย่าให้ข้าไปยินร้ายระวังเอาให้เราก็ชอบนี่ยินดีแล้วก็ชอบไปที่คุณมีความทุกข์คุณไม่ต้องบน่นไม่ต้องบน่นคุณมีความทุกข์ระวังไม่ให้ยินดีไม่ให้ยินร้ายถ้ายินดีเสียพลังก็คือจิตไม่สงบแล้วยินร้าย มันก็กระเทือนแล้วมันไม่สงบแล้วเสียพลังทางนั้นยินดีก็เสียพลังยินร้ายก็เสียพลังมีแต่เสียพลังเรามานั่งภาวนาภาวนาเดินจงกรมทมที่บ้านทาที่ไหนก็ทําไปเถอะนั่นคือการสะสมพลังสะสมพลัง ทีนี้เห็นไหมมันมีแต่จ่ายจ่ายจ่ายจ่ายมีแต่จ่ายพลังมันก็ไม่มีสิมันก็หมดพลังถึงฉลงกรานขึ้นมานี่โอ้ยก็สนุกสนานกันสนุกสนานวระอบใจอะไรต่ออะไรเปลืองอย่างนี้แหละมันเปลืองเปลืองพลังทีนี้จะมารู้เรื่องความทุกข์หรอ รู้เรื่องอริยสัจสี่แล้มันไม่มีทางหรอกมันกรบหมดไอ้สิ่งเหล่านะั้นมันกรบหมดแล้วพลังที่จะรู้มันรู้ไม่ได้เนี่ยมันขาดพลังคือขาดพลังแห่งปัญญาขาดทั้งพลังจิตทั้งพลังปัญญานี่มันขาดหมดเพราะมันเข้าไปยินดีไม่เข้าไปยินร้าย เรามีควยฉายนั่นแหละแล้วกดสองออกไปสองออกไปสองออกไปฐานมันก็หมดฐานหมดที่นี่จะมดว่าไอ้ฐานนี้น่ยเราต้องชาติเจะเาเลกก็ต้องชาติใหม่ชาติใหม่อีกก็ไปยินดีอีกกินร้ายอีกมันก็หมดอีกทีนี้มันไม่ได้นานดี มันไม่ได้ชาติไม่ได้ชาติแต่ว่ามันก็มีโดยเรียกว่าสัญชาติญาณพอเรานอนเชี่ออะไรเสียมันได้พักผ่อนได้อะไรมันก็พลังกายมันก็เพิ่มขึ้นมาพลังจิตมันไม่เพิ่มหรอกนันก็ยิ่งเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมลงเสื่อมจนกระทั่จนกระทั่งว่าทำทั่วทำชั่ว ถึงที่สุดเอาสุดๆไปเลยหัวเราก็หัวเราให้มันสุดๆไปเลยร้องไห้ก็ร้องไห้มันสุดๆไปเลยเหนื่อยไหมสออย่างนั้นหัวเรามันก็เหนื่อยร้องไห้มันก็เหนื่อยเราไม่ได้ระวังนี่ไม่ได้ระวังหนึ่งระวังนี่เยียกว่า สัมมาวาจามะความเพียนถูกต้องหนึ่งเพียรในการระวังสองระวังแล้วยังเผลอขึ้นมาอีกเพราะว่ามันชินมันเคยชินเผลออีกละมันระวังไม่ให้มันเกิดทุกข์แม่ข้าววินดีแม่ข้าววิญาณร้ายก็ข้าปยินดีจนได้วินร้ายจนได้โกรธ ไปกโกรธเอาเอาไม่ทันแล้วเอาไม่ทันแล้วก็เลยต้องปราบมันกูมันโง่อีกโง่อีกกูโง่อีกแล้วทีหลังก็ทําอย่างนั้นอีกทําอย่างนั้นอีกทำอย่างนั้นอีกนี่แล้วก็ละมันไม่เอามันไม่กโกรธตอบเขาไม่อะไรเขานี่อยากเรีย ก, ยกว่าละเพี้ยนในการระหวัง เปลี่ยนในการละเปลี่ยนในการละสองเปลี่ยนในการละ3เปลี่ยนในการสร้างสร้างพลังนี่แหละสร้างอะไรสร้างพลังนี่แหละสร้างพลังก็มีการภาวนาในการพิจารณาบ่อยบ่อยบ่อยบสร้างพลังหนึ่งเพียนระวังสองเพียนละ 3. เปลี่ยนสร้างเปลี่ยนสร้างสร้างพลังให้มันเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น4เปลี่ยนในการรักษาให้มันเป็นปกติเป็นปกติคือให้สงบเย็นอยู่เป็นปกตินั่นคือความเพลี่ยนความเพี่ยน ในสัมมาวายามะทีนี้ความเพียรก็จะทำให้เกิดปัญญาขึ้นมาอีกพอเพียรเพียเพียพียพพ่นว่าเพียรสร้างอย่างนี้หรือเพียรในการพูดของพ่อพูดอย่างนี้ของพ่อพูดของพ่อก็รู้ธรรมะแต่รู้ยังไม่แจ่มแจ้ง ยิ่งพูดออกไปมันก็ยิ่งแจ้งยิ่งพูดออกไก็ยิ่งแจ้งยิ่งแจ้งยิ่งแจ้งยิ่งแจ้งนี่เห็นไหมเปลี่ยนสร้างยิ่งพูดมันก็ยิ่งฉลาดยิ่งพูดก็ยิ่งฉลาดธรรมะก็ยิ่งเกิดยิ่งเกิดยิ่งเกิดเอ้าคนฟังคนฟังก็ธรรมะยิ่งเกิดยิ่งเกิดยิ่งเกิดฟังแล้วออกไปปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็สติปัญญาก็ยิ่งเกิดยิ่งเกิดยิ่งเกิดยิ่งเกิด เราจะเห็นว่าในสมัยพุทธกาลคนที่อทุกเต็มปีแล้วทุกเต็มปีแล้วทํำยังไงทํำยังไงมันจะตายให้ได้แล้วมันจะตายให้ได้แล้วมันจะตายมันก็ยังไม่ตายเห็นเมื่อคืนกลับไปแพลบเดียวเปิดดูโทรทัศน์ผู้หญิงคนนึงเออไอมันจะตายมันก็ไม่ตาย เกิดมามีลูกลูกตายไปแล้วสามคนนี่ก็เพิ่งตายไปอีกคนคนที่รักที่สุดคนที่เอาอกเอาใจอะไรเสร็จแล้วมาตายเลยฉันจะอยู่ยังไงนี่ฉันจะอยู่ยังไงนั่นทำไมมันไม่ตายสักทีหนึ่งใครชอดก็ไม่ตายอะไรก็ไม่ตายมันไม่ยอมตายเวรกรรมมันยังไม่หมดก็ยังไม่ให้ตายก่อน นั่นอยู่แต่กับความทุกข์แกกินอร่อยกินน้ําตาแกกินน้ําตานั่นแหละนั่นแกมีแต่ความทุกข์พายหน่อยมันก็ร้องไห้อยู่ตลอดเวลาที่จิตนั่นที่จิตโง่นั่น้ทำไมไม่หาทางออกมีแต่ตัวกูมีแต่ลูกของกูมีแต่หลานของกูมันไม่ตายเดี๋ยวนี้ต่อไปมันก็ตายมันก็ตาย เราไม่ตายเดี๋ยวนี้ร่างกายต่อไปมันก็ตายตามอย่างไรอยากจิตมันตายนี่นก็คือจิตที่ไม่ใช่กูเนะี่ยปล่อยวางมันออกไปเสียปล่อยวางมันออกไปเสียนั่นอ่านหนังสือไม่ใช่กูนี่ไม่ต้องไปเอาหมดทั้งเล่มสามตัวพอเอาสามตัวหน้าปกพอ ของพ่อไปบินธบอเออมีอะไรก็ต้องแจกญาติโยมมีแผ่นซีดีก็แจกญาติโยมมีหนังสือก็แจกญาติโยมเราเอาของก็มาฉันทุกวันทุกวันนี่เราเป็นหนี้บุญคุณเขาเราจะให้อะไรเขาบ้างมีอะไรให้ก็ให้เขาพอาให้เสร็จแล้วเป็นไงอ่านแล้วยัง อ่านแล้วจบแล้วไม่อ่านได้สามตัวสามตัวที่อยู่หน้าปกไม่ใช่กูเออแค่นั้นก็ดีแล้วเอาไม่ใช่กูตัวเดียวก็พออ่านหน้าปกสามตัวว่าไม่ใช่กูแล้วก็เอาไปปฏิบัติสามตัวนั้นพอกินแล้วไม่ต้องมากไม่ต้องหมายถ้ากูเลยมันยึดมั่นถือมั่น ยึดมั่นถือมั่นว่ามีกูมีทรัพย์สมบัติของกูอะไรตัวกูของกูตัวกูของกูหมดแต่อ่านว่าไม่ใช่กูอ่านไปที่ทีนี้อ่านตัวหนังสืออ่านตัวหนังสือที่อยู่หน้าปกไม่ใช่กูก็อ่านที่เนื้อที่ตัวที่ผมกูไหมขนกูไหมเล็บกูไหมเนื้อหนังกูไหม อ้าวนี่อ่านที่เขาให้อ่านที่ตัวหนังสือแด้มาอ่านหนังสือเล่มใหญ่นี่หนังสือที่อยู่กับเนื้อกับตัวนี่อะไรก็ไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูไม่ใช่กูเอ้าดูจิตจิตเองก็ไม่มีตัวตนจับต้องมันก็ไม่ได้จีแสมันก็ไม่มีรักษณายังไงก็ไม่รู้ไหนมันกูตรงไหนมันมีแต่ตัวรู้ ทีนี้ถ้ากูรู้ก็ไปกูรู้เอาจิตตัวนั้นมาเป็นกูกูรู้ว่ากูรู้ก็ยึดถือเข้าไปอีกสิ่งที่ถูกรู้ก็ยึดถือกาไปอีกพอสามตัวพอไม่ใช่กูเนี่ยหนังสือเล่มนี้ทั้งพิสดานทั้งย่อย่อก็คือไม่ใช่กูแล้วก็อ่านดิ อ่านตัวกูนี่แหละตัวกูที่นั่งอยู่นี่แหละอ่านที่อ่านตัวกูอ่านอ่านอ่านอ่านไปนั่งสมาธิพอนั่งสมาธิพอจิตเป็นสมาธิเสร็จแล้วก็อ่านตัวกูทีนี้อ่านตัวกูโอ้ผมก็อนิจจังอนัตตาเนื้อหนังก็อนิจจังอนัตตามันไม่ใช่กูนี่มันไม่ใช่กูนี่นี่เห็นไหม ไม่ต้องออกมากสามตัวพอไม่ใจกูก็คือไม่กล้าไปยึดมัน่นถือมันว่ามันเป็นกูไม่กล้าไปยึดมั่นว่ามันเป็นของกูนี่อ่านให้ออกนี่นี่อ่านหนังสือกันไม่ออกอ่านได้แต่ตัวหนังสือที่เขาทำกับสีออกมาเขียนพิมพ์ในกระดาษตัวหนังสือหนังสือเล่มโ ต, ตนี่โอ้ยอยากจะอ่านพระไตพี่ดก อยู่ตรงไหนพระใจวิดกอยู่ตรงนี้ท้งนั้นแหละพระใจวิดกอยู่ที่เนื้อที่ตัวที่หูที่ตานี่แหละอัตใจบิดกอยู่ตรงนี้ไอ้พระตจวิดกมาจากไหนเนี่ยมาจากไหนเพราะพระพุทธเจ้าจะจะรู้ก็จะจะรู้แต่พระองค์รู้รู้เรื่องทุก้รูเรื่องเหตุที้เกิดทุกเรื่องความดับทุก้รูเรื่องหนทางห้ถึงความดับทุก มาจากไหนมาจากจิตของพระองค์ที่พระองค์ไปรู้ความจริงไปรู้ความจริงแล้วเอามาดับความเท็จเอามาดับความทุกขความทุกขความเ ท, มท็นั่นแหละเอามาดับความทุกขมาจากไหนพระไตรปิดกไม่อยากอ่านพระไตรปิดกคิดว่าจะจะได้เป็นอะไรได้เป็นผู้เก่งฉกาจเก่งกว่าเขาดีกว่าเขานี่ อะไรกว่าเขาแต่พระไตรปิฎกนี้อ่านไม่ออกที่อยู่ที่เนื้อที่ตัวที่จิตที่ใจนี่อ่านไม่ออกอ่านตรงนี้แหละอ่านแต่ตรงนี้ที่เราปล้ำปล้ำพยายามที่จะโถมาถึงนี้เสือก่ารถก่าราเสือก่าเครื่องบินก็เพื่อที่จะมาหาวิชาอ่านพระไตรปิฎกเล่มนี้ อ่านให้ออกอ่านภายนอกอ่านภายใน อ, ยอ่านรูปเสียงกลิ่นรสพุทธภพธรรมารม์อ่านให้หมดอ่านเสร็จแล้วพิจรารณาแล้วเห็นแล้วว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากกัวตนหมดไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาอะไรอยู่ทำงานกินไปใช้จ่อยไป อะไรไปไม่ต้องมีความทุกข์ไม่ต้องไปมีความทุกข์มัน้ไปมีความทุกข์มันทำไมไม่มีกูแล้วเอาใครไปทุกข์อ่ะพอมันมีกูขึ้นมาทุกทีมก็ทุกๆกทีนี่ลเลยเรียก ว, ว่าไม่ใช่อาชีพเสริมแล้วการปฏิบัติธรรมมเป็นอาชีพจริงอาชีพจริงอาชีพเฉพาะตัวเนี่ยหนึ่งเพียงในการ ระวังสองเพียนในการละสามเพียนในการสร้างสี่เพียนในการอ่านอ่านก็จะอ่านแต่นังสือเพียนในการอ่านอ่านกายอ่านจิตอ่านกิเลสตัณหาว่าจิตที่มันมีกิเลสตัณหาน่มันเป็นยังไงไอ้มันไม่มีกิเลสตัณหาน่มันเป็นยังไงอ่าน นี่เรียกว่าเพียรในการระวงังเพียรในการละเพียรในการสร้างจะรักษาเอาว้เมื่อเกิดธรรมะขึ้นมาอย่างนั้นรักษาออว้ยรักษาโอาว้ยห้มันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตและมันก็เป็นจิตที่สงบเพราะจิตที่ไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นนั่นคือต้องใช้ความเพียร แต่ให้ความเพียรเนี่ยม่พอต้องมีสติมีสติความเพียรนี่ก็อย่างหนึ่งทีนี้สติพอมีสติแล้วมันก็มีอะไรสติมันดึงอะไรมาสติคือความระลึกได้ดึงอะไรมามันดึงอะไรมาถ้าไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติมันดึงแต่ตัวกูของกูมาทางนั้นเลยนั่นดึงแต่โ ง, ง่ามาให้กูหมด โพราอูมันนอนกินนั่งกินอยู่สติมันดึงโง่ามาให้หมดแต่ถ้าเรามีสติที่เป็นสัมมาสติเอาเป็นสัมมาสติสติที่ถูกต้องมันก็ดึงมาดึงอะไรมาดึงปัญญามาสติมันดึงปัญญามาดดึงปัญญ า, าเอาไปไหนอ่ะ พิจารณาในกายมีสติเห็นกายในกายว่ากายนี้เปื่อยเน่าจากกระโกเกิดมาจากดินจากน้ำจากไฟจากลมไม่ใช่ตัวกูไม่ใช่ของกูพิจารณากายว่าเป็นอนิจจังเป็นทุกขงังเป็นอนัตตาเป็นสุญญตาว่างจากตัวตนสติดึงมาสติมีหน้าที่ดึงเหมือนกับมือนั่นแหละ มีหน้าที่ในการหยิบฉ่วยสิ่งนั้นสิ่งนี้มาแต่หลวงพ่อไม่มีมือจะจับไม้นี้ได้ยังไงจะจินอาหารได้ยังไงอมจีวรได้ยังไงอะไรยังไงมือดึงมามือไปจับมาฉะนั้นสติสติต้องดึงดึงอะไรมาดึงกายมา สติดึงกายมานี่เป็นสมส่วนส่วนหนึ่งสติส่วนที่สองคือร่างกายหรือวัตถุต่างๆส่วนที่สที่เราบังเพ็ที่เราพยายามปลุกปั้มให้มันเกิดขึ้นมาก็คือตัวปัญญาจิตที่มันนิ่งจิตที่มันนิ่งที่เรารักษาเอาไว้นั่นแหละเรารักษาเอาไว้ตอนที่เรา จากความเพียรนั่นแหละเสร็จแล้วจิตนิ่งอยู่กับที่จิตนิ่งอยู่กับที่สติดึงปัญญามาดึงปัญญามาแสดงปัญญาอยู่ที่ไหนอยู่ที่จิตนิ่งนั่นแหละปัญญาอยู่ที่จิตนิ่งนั่นแหละทีนี้ดึงปัญญามาเอามาใช้ดูอะไรเนี่ยที่มันตั้งอยู่นี้ ที่มันนั่งกันอยู่เป็นกองเป็นกองเป็นกองที่ตรงนี้เนี่ยพิจารณากายพิจารณาส่วนต่างๆของกายนี่มันเป็นสามส่วนพิจารณาแล้วแค่หว่าเป็นเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเป็นสุญญาตาแต่ละส่วนไม่มีตัวตนเลยนั่นงานเห็นไหมสติดึงมาแล้วปัญญาเป็นสิ่งที่จะเหมือนกับมีด เอมาผ่าผ่าผ่าผาเอมาผ่าตัดพ่าตัดเสร็จแล้วก็เห็นเป็นของจริงไม่มีอะไรเป็นตัวเป็นตนเลยัญญาผ่าตัดผ่าตัดแล้วก็ไม่ยึดมั่นถือมัน่นเออไม่ยึดมั่นถือมัน่นจิตนี้มันก็ปล่อยวางเลยมันโปยวางกายยนะมีสติเห็นกายในกายว่ากายนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขา เห็นจริงแล้วราคะมันก็คลายทีนี้ราคะโทสะโมหะเหตุที่เกิดอวิชชาขึ้นมาคือราคะโทสะโมหะไ้ตอนนี้พอดึงกายออกมาพิจารณาออมาผาตัดด้วยสติปัญญาเห็นตามความเป็นจริงว่าขี้มันเป็นอย่างนี้เยี่ยวมันเป็นอย่างนี้ เหม็นมันเป็นอย่างนี้ลำไส้มันมีเป็นอย่างนี้ในลำไส้มันเป็นอย่างนี้ตับมันเป็นอย่างนี้ไตมันเป็นอย่างนี้อะไรอะไรเป็นอย่างนี <İş> ้พอเห็นอย่างนี้แล้วเป็นยังไงเบื่อหน่ายต้องเหม็นั้งขาวเหม็นขาวจะกระโกรกจนหายใจไม่ออกจนหายใจไม่ออกเหม็นนจะหายใจออกได้ยังไง นี่เด็กวัดนี่แหละเขาไปบินฑ บ, บาติทุกวันโอ้ยก่อนที่จะเขาไปบินฑ บ, บาตบางวันเขา้ากว่าหลวงพ่อทำอะไ ร, รยอยู่เขาไปหวีผมก็ไปใส่น้ําหอมอยู่อ่ทีนี้ก็หลวงพ่อไปถึงศาลาก็ไปถึงศาลาลิงมันก็นอนตรงนั้นเพราะไอ้น้ําหอมหรือ น, น้ําเหม็นเนี่ยมันเหม็นขี้ลิงไอ้กรงเตยมันก็เหม็นไอ้ขี้ลิงมันก็เหม็น น้ำหอมกี่ลิงปนกันทีนี้ปนกันแยกไม่ออกเนี่ยเห็นไหมมันมีแต่เหม็นน้ำหอมเนี่ยมันน่าพอใจแต่ถ้าเอาดมกัมาที่ดมอยู่นั้นไม่ต้องเอาขวดออกจากที่ปลายจมูกหรอกดมอยู่นั้นก็หายใจไม่ออกไอ้ขี้ลิงเราก็ถือมันอยู่นั้นมันก็หายใจไม่ออกทอเกออกออกท่ากัน มีค่าเท่ากันไอ้พวกเนี้นี่เสร็จแล้วเป็นยังไงเห็ hey, no. oh. นโอนี่ทุกอย่างอา น, นิจังอนัตตานะอา น, นิจังอนัตตาทางนั้นหอมก็อานิจังอนัตตาเหม็นก็อานิจังอนัตตามันก็ละเหยไปอะไรไปเราหลบรีกไปเสียวันหนึ่งไปที่โรงพยาบาลตํารวจเหม็นเหเกินวันนี้ทําไว้ไปหลายครั้ง ไปดูอรุปะของที่ไม่สวยไม่งานีน่เหม็นเหลือเกินยังไม่ข้าวที่เล ย, ยไม่ได้ขึ้นตัวอาคารเลยเหม็นแล้วเหม็นตอนรับแล้วก็ไปก้าวไปก็ฝืนข้าวไปอย่างไงเนี่ยกลิ่นมันก็เหม็น เ, เราคิดว่าเมื่อก่อนพ้าใส่น้ำหอมใส่อะไรเข้าไปวน่ารักหน่าใครหน่าพอใจพอมันตายแล้วมันเหม็น ทำไมมันจึงเหม็นเป็นรายการพิเศษวนันนี้ครบ15วันครบ15วันศบที่ไม่มีญาติใส่ไว้ในลิ้นชักลิ้นจักลิ้นจักลิ้นจักใตรโอไว้พอครบ15วันก็เอาออกแต่จบนั้นก็จะห่อผ้าขาวเอาได้มามัดเรียกว่าตราสังสามตนมัด ได้เวลาก็เอาไปโน้นแหละวัดดอนนู่นแหล ะ, หละที่อยู่ตรงนั้นทีนี้ตลวงพ่อไปจนคนพวกนั้นรู้จักพอรู้จักก็โหลวงพ่อหลวงพ่อมาทางนี้วันนี้มาทางนี้พิเศษหลวงพ่อพิเศษหลวงพ่อเขาก็เอาไอ้ศพที่ออกมาที่สิบห้าวันแล้วนะั่นเลยฉีดยามันก็ไม่อยู่แล้ว 15หวันนั้นเอาออกเข็นออกมานี่สำหรับหลวงพ่อโดยเฉพาะตัดเชือกตัดได้นนเปิดออกมาทีนี้ให้หลวงพ่อดูไม่ต้องบอกท่านคิดเอาเองก็แล้วกันว่ามันเป็นยังไงกลับไปวัดที่ไปพักอยู่ตอนนั้นไปพักวัดอิรันรูจีไปถึงก็รีบสักจีวรนเลยมันติดจีวรน เหม็นติดจีโวรนี่เรียกว่าอาจุภกรรมฐานอาจุภกรรมฐานมีหน้าที่ในการที่จะปราบปราบใครปราบราคะปราบราคะคือราคะที่มันเกิดแล้วมันมีกลิ่นหอมหอมแล้วดูมันสวยเหมือนดอกกุหลาบอย่างนี้พอรู้ว่าหอม อยากเอามาดมาเมันหอมมันสวยมันน่ารักเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไงนี่แหละเราต้องพิจารณา ใ, ให้เห็นอาจูภะไปเห็นศพนะมันอาจจะบางคนไม่ชอบนี่แหละศพนี้แหละศพที่มันยังสดๆอยู่นี่ไม่ต้องขีดยามันสด มันยังสดอยู่มันยังหายใจได้เราที่นั่งกันอยู่ที่ตรงนี้ที่นั่งขวางหลวงพ่ออยู่จบสดทางนั้นเลยจบสดนั่งได้เดินได้พูดได้กินได้ดื่มได้ตายได้อาบได้พูดได้อะไรได้จบสดนี่จบสดทีนี้ต่อไปพอจบนี้มันตายมันเน่าก็เป็นอย่างนั้นตอนนี้มันก็เน่าอยู่แล้วนั่นแหละ ก่อนจะมาต้องแปลงฟันต้องบ้วนปากนาวทั้งนั้นแหละเพราะเราสิ่งที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันของนาวก้าไปอยู่ในพุงมันก็นาวไอ้ร่างกายนี้มันก็เป็นที่สะสมของของนาวทั้งนั้นเลยเป็นที่สะสมของนาวอย่าลืมว่าในพุงเรานั้นป่าจ้าป่าจ้า ใส่วัวก็ไปกี่ตัวแล้วใส่หมูก็ไปกี่ตัวแล้วใส่ไก่ก็ไปกี่ตัวแล้วใส่ปลาปลาก็ไปกี่ฝูงแล้วเนี่ยใส่ทุกวันของเน่าเนะ่ยศพนะี่ยใส่ก็ไปทุกวันทุกวันทุกวันแล้วมันจะออกมาหอมได้ยังไงนี่จึงต้องพิจารณาว่าเวลากินอาหารทานอาหาร เพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ใจปุ๋ยให้มันรดน้ำให้มันเพื่ออะไรเพื่อความตั้งอยู่ได้แห่งกายนี้ก็กายนี้ตั้งอยู่ได้เราก็จะเอามาปฏิบัติทรรมเอาเดินจงกรมเอานั่งธรมาที่เอาภาวนาเอาพิจารณานี่ให้มันเกิดปัญญา ก็เลยเอากายหน้านี้แหละไปแรกแรกกับของดีคือธรรมะที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่เห็นไหมเห็นหเอาไปแรกนี้ไปยึดถือมันทำไมไอ้กายหน้านี้มีภาพปริศนาธรรมที่อยู่ในสมุดคอยเรียกว่าตอนที่หลวงพ่ออยู่ที่สวนโมก มีคนที่ป่าเววัดป่าเวอยู่ตั้งทิศเหนือก็ก็เอามาถวายท่านอาจารย์พุทธทาตแล้วท่านก็ดูภาษาของก็เขียนภาษาโขงทั้งนั้นอ้าวอนี้คนนั้นมีภาพว่ามีคนหนึ่งยืนอยู่ยืนอยู่ริมฝั่งอยากจะข้ามไปฝั่งโน้นเรือก็ไม่มีแพก็ไม่มีอะไรก็ไม่มี สะพานก็ไม่มีทีนี้ไอ้ทางขวายนี้ก็เป็นยังไงโจนหน้าคนมันติดตามมาถือดาบถือหอกตือแหลนมันจะฆ่าฆ่าคนนี้คนนี้ก็หนีหนีมายืนอยู่ริมกว่างยังไงต้องตายแน่ตอน น, ตนี้ตายแน่ตายแน่ในขณะนั้นศพเน่าลอยน้ำมา คนนี้ก็เลยกระโจนกระโจนขี่ศพเน่าขี่ศพเน่าแลวก่อนตายไปทีนี้หายไปเอามือเอาเท้า ก, กักน้ำแล้วก็ไปไปถึงฝั่งโน้นได้ถึงฝั่งสบายเรียบร้อยโจนก็ทำอะไรไม่ได้นี่ฉะนั้นศพเน่านี้แหละเอาใช้มันเป็นประโยชน์เสียเพื่อที่จะให้ถึงฝั่งคือพระนิพพาน ไม่อย่างนั้นตายตายแล้วตายอีกไอโจหน้าคนเนี่ยใครขันหน้าที่เราข้าวไปยึดถือรูปเป็นตัวกูเอารูปก็เป็นอนิจจังอนัตตาแต่ไปเห็นว่าตัวกูรูปก็เกิดดับเอารูปมาเป็นตัวกูเอาเวทนามาเป็นตัวกูเอาสัญญามาเป็นตัวกูเอาสังขารมาเป็นตัวกู เอาวิญญาณโง่นั่นที่มันข้าไปยึดมั่นถึงมันรู้โง่นั่นเอามาเป็นตัวกูจแล้วเป็นยังไงนั่นแหละโจห้าค น, นก็เลยถูกฆ่าทุกวันเพราะฆ่าาตายแล้วติปัญญาตายขึ้นไปแล้วตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอีกตายแล้วเกิดอี ก, เ, ก, ดอกเดี๋ยวก็ยึดถือเดี๋ยวก็ปล่อยวางเดี๋ยวก็ยึดถือเดี๋ยวก็ปล่อยวางตายตายเกิดเกิดตายตายเกิดเกิดอยู่อย่างนั้น โจรห้าคนนั่นแหละคือโจรห้าคนมันตามฆ่าตามล้างตามปราณอยู่ทำยังไงนี่แหละต้องใช้ศพนาวเนี่ยให้มันเป็นประโยชน์ถ้ามันเป็นประโยชน์นี้เพียงแต่ว่าข้อสติพิจารณาเห็นกายในกายว่ากายนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขา อย่าข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันเห็นอย่างนี้มันก็ปล่อยวางเห็นเน่าเนาเหม็นเหมนจก็ปลกปล่อยวางพอไปเห็นของไม่เน่าเห็นของเรียกว่าคนที่มันยังมาร้องเพลงอยู่มันแต่งตัวสวยๆอะไรสวยๆข้าไปหลงแล้วก็เน่าทั้งนั้นแหละกูก็หนาวมึงก็เน่าเน่าทั้งนั้นเลยไม่เอาดีกว่า กูเองก็ยังไม่อกูี่จะไปเอาคนอื่นได้ยังไงของเน่าเนี่ยอย่าว่าอย่างอื่นเลยออกมาเป็นลมมันก็เน่าเหม็นเห็นไหมไอ้อยู่คนเดียวนี่สบายเห็นไหอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวจะผายลมให้มันดังๆก็ช่างมันไม่จีดใครสบายผายลมแล้วสบายพออยู่สองคนเกรงใจกัน แม่จะนอนตดเนะ้มันสบายหน่อยก็ไม่สบายเลยเกรงใจเขาหี่เ้าหรืออยู่สบายคนเดียวน่ะเห็นไหมแต่บายมากแต่เราไม่เห็นความสบายสองคนมันก็นาวคนเดียวมันก็นาวออกมาเป็นลมเลยมันยังเน่าเลยแม่อากาศเสียหมดนี่มันยังเน่าเลยเพราะข้างในมันก็เนาวไอ้ข้างนอกมันก็เนาวแต่มันหุ้มโอ้ หุมเอาไว้มันก็มีปากรูดมันมีหูรูดรูดเอาไว้รูดเก็บเอาไว้ก่อนของน้าอยู่ข้างในนี่เห็นไหมไม่เห็นฉะนั้นต้องมีสติดึงปัญญาสติมันต้องดึงปัญญาออกมาดึงปัญญาวมาพิจารณากายน้ากายน้ากายน้าวกายน้าส่วนไหนก็น้าวหมดนี่คือกายหน้ากายน้า ถ้ายังไม่เห็นปาวนามันที่ภาวนาว่ากายนาหายใจเข้ากายนาวหายใจออกกายนาวกายนาวกายนาวกายนาวนี่พิจารณาเห็นกายในกายเห็นง่ายกว่าเพราะว่ามันจับต้องได้มันเปลืองเนื้อที่มันเป็นธาตุต่างๆนี่เห็นกายนาวปล่อยกายนาวไปกายดีมันก็หนาวกายหนาวมันก็นา มันหน้วทางนั้นะทีนี้ไปพิจารณาข้อที่มันสูงขึ้นไปพิจารณาเวทนามีสติเนี่ดึงมาอีกแล้วสติต้องดึงปัญญามาอีกมีสติเห็นเวทนาในเวทนาว่าเวทนานี้ก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนาก็เกิดดับเวทนาก็ว่างจากตัวตอนอีกนั่นแหละเวทนาที่เป็นสุข ข้าไปยึดถือมันมันดับแล้วหายตัวไปอีกแล้วข้าวจ้อนก็ไปคําหนึ่งตอนแรกอร่อยเหลือเกินนี่อร่อยเหลือเกินเสร็จแล้วเป็นยังไงดับแล้วพอเกียเก้ยวๆพอรู้สึกว่าอร่อยกลืนก็ไปดับอีกแล้วนี่เลยมันไม่มีตัวตนเอาเสร็จแล้วพอคําที่สองคำที่สามความอร่อย ก็ค่อยน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะว่าตอนแรกไอ้น้ำย่อยที่มันออกมาที่ปลายลิน้นที่ประสาทลิ้นที่เป็นตุมตๆมตมุมนั่นแหละมัน ม, มาผสมกับอาหารออกมาผสมกับอาหารตอนแรกมันก็เต็มที่เลยพ อ, อคำที่สองคำที่สามมัน ก, ก็ค่อยล่อยหลอลงไปล่อยหลอลงไปล่อยหลอลงไป จนกระทั่งว่าธรรมดาธรรมดาธรรมดาธรรมดานี่เวทนาที่เกิดที่ปลายลิ้นเวทนาที่เกิดที่ตาเกิดที่หูเกิดที่จมูกเกิดที่ลิ้นเกิดที่กายเมื่อข้าไปเสียดสีไปกระทบเกิดที่ใจเรียกว่าอารมณ์ต่างๆสิ่งต่างๆที่มันผ่านมาทางตาหูนั่นแหละมาเกิดเป็นอารมณ์ เราเรียกว่าธรรมอารมณ์เรานั่งสมาธิเกิดอะไรอารมณ์อารมณ์รักอารมณ์เกลียดอารมณ์กลัวอารมณ์คล้าอารมณ์พอใจอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์ริษยาอารมณ์อิจฉามีสารพัดอารมณ์่างนี่รองพ่อ ปฏิบัติอยู่ที่นี้เอ๊ะมันยังไงเนี่ยไปหาท่านอาจารย์ดีกว่าไปหาท่านอาจารย์ไปสวนโมกกราบเรียนถามท่านพอคุยกันเสร็จแล้วกราบเรียนถามท่านอาจารย์ครับเรื่พระอาหารหันเนี่ท่านทําใจยังไงใจของท่านอยู่ยังไงนี่ก็พูดบ่อยๆในเรื่องนี้ท่านก็บอกว่าพระอาหารหันไม่มีอารมณ์ทีนี้เรานั่งสมาธิ มันปรุงแตง่งปรุงแตง่งปรุงแตง่งปรุงแต่งอะไรอารมณ์นั่นแหละอารมณ์มันผลักดันมาให้เราปรุงแตง่งมันเป็นธาตุอารมณ์ทีนี้พระอารหันต์ไม่มีอารมณ์ท่านนั่งกับอะไรนั่องอยู่กับความสงบท่านอยู่กับความสงบอยู่กับความสงบเย็น้ายใจข้าสงบหายใจออกสง บ, งออสงบเดินสงบ หม่เทาดังเิ๊กๆกก็อสงบจะสงบไปทุกขัน้นทุกตอนทุกขัน้นทุกตอนทุกขัน้นทุกตอ น, น, น, นจสงบท่านอยู่กับความสงบก็คือไม่มีอารมณ์อะไรที่มาปรุงแต่งท่านสวยเข้าม า, ามก็น่าวนะั่นข้างน้อยนอนนี้ถ้าออกมาข้างนอกเช่นมาด่าเพื่อนอย่างนี้น่าวข้างนอกอีกอย่าง นักการเมืองที่ด่าด่าด่ากันดังกันทั้งเมืองมันเน่านักการเมืองเหล่านั้นที่มันด่ากันอยู่นั่นแหละไม้ว่าฝ่ายไหนตกฝ่ายไหนมันเน่าเนทั้งนั้นพอเน่าเน่อยแล้วมันเน่าออกมาข้างนอกนี่คืออารมณ์มันเน่าพออารมณ์มันเน่าแล้วมันออกมาข้างนอกมันก็เน่าเน่าทั้งนั้นกายก็เน่าวาจาก็เน่าเพราะอะไร ทายได้เลยเพราะจิตมันเน่าเห็นไหมเพราะจิตมันเน่ามันก็เลยเน่านี่เลยนนเน่านั่น่น่คืออารมณ์อารมณ์อารมณ์อันนี้มีสติเห็นเวทนาในเวทนาเวทนาที่เป็นสุข ก, ก็ตามที่เป็นทุกข์ก็ตามไม่ใช่สุขไม่ใช่ทุกข์ที่เป็นอวิชชาก็ตามอารมณ์เหล่านั้นดูเถอะมันไม่มีตัวตนมันเกิดมันดับ ถ้ามันว่างจากตัวตนทีนี้เรามีเวทนาเก็บไข้ได้ป่วยนั่นก็เรียกว่าทุกขเวทนาเวทนาเหมือนกันเรียกว่าทุกขเวทนาทุกขเวทนาเราพิจารณามาันที่นอนอยู่ที่โรงพยาบาลอย่างนี้หมอบอกว่าเป็นนั้นเป็นนี่เป็ น, นโน้นต้องผ่าตัดหรือ ว, ว่าไม่ผ่าตัดหรือ ว, ว่าโอ้สุดท้ายแล้วอันดับสามแล้ว อันดับสามแล้วมาแรงนี่เป็นยังไงทีนี้เป็นยังไงนั่นก็เป็นทุกข์ได้จริง น, นั่นทุกขเวทนาสุขเวทนาไม่รู้จักทุกขเวทนาก็ไม่รู้จักทุกขเวทนาพอพอใจเกิดดับพอใจเกิดดับเกิดดับเกิดดับเกิดดับก็บบบวิ่งหากันนเห็นไหมสมกรา น, นีวิ่งหาเวทนากันจนตาย วิง่งหาจุกขเวทนากันไปจังหวัดนี้จังหวัดนั้นจังหวัดโน้นไปเมืองนอกเมืองนาไปโน่นไปไปทไําไมหาทุกขเวทนาเห็นไหมเอาทีนี้เพราะไม่รู้จักว่าทุกขเวทนามันก็เกิดดับแล้วมันเพราะมันว่างจากตัวตนมันไม่มีตัวตนเอาไปนอนให้น้ําเกลือไปนอนออกซิเจนอยู่ หายออกซิเจนอยู่ที่โรงพยาบาลมันเจ็บมันปวดมันอะไรขึ้นมามันบอกไม่ถูกเพราะมันป่วยนี่มันป่วยนี่แล้วมันถ้าเป็นโรคหัวใจแล้วหายใจได้นิดเดียวนี่มันจะหมดแล้วมันจะหมดแล้วลมมันจะหมดแล้วใส่ออกซิเจนเข้าไปนี่หลวงพ่อสร้างอ่างสองเครื่องแล้วโรงพยาบาลนี่ล้านกว่าเงินที่เก็บเก็บมานั่นแหละแล้วก็ญาติโยมก็ก็ช่วยเหลือกัน เผืว่าบางทีมันไม่ตายมันอาจจะมาปฏิบัติธรรมก็ได้แต่ว่าก็ช่างมันเจะปฏิบัติไม่ปฏิบัติก็ช่วยเหลือชีวิตก็เอาไว้มันทาดีทาชั่วเป็นเรื่องของเขาบางทีเขาอาจจะคิดได้ก็ได้ว่าโอ้ชีวิตที่เหลือนี้เราจะทําแต่ความดีความดีความดี ค, มดคิดดีพูดดีทําดีอย่างเดียวหลวงพ่อก็พอใจแล้วแค่นั้นก็พอใจ แ, แต่ไม่เคยได้รับรายงาน สองเครื่องนะจ้างมันให้เป็นร้อยนี่แหละคือเวทนาเมื่อเวทนาที่เป็นฉุกเกิดก็อย่าหลงทุกเวทนาเกิดอย่ากเกลียดอย่า ก, กลัวรากจิตออกมาเสียรากจิตออกมาจากเวทนาที่เป็นทุกขนั้นแหละจิตนั้นมายืนอยู่นิ่งๆยืนอยู่นิ่งๆข้างนอก พิจารณาว่าโอ้นี่ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่กูไอเวทนานี้ก็เกิดดับเวทนาที่เป็นทุกนี้ก็ไม่ใช่กูพอพรากจิตออกมาได้เวทนาก็อยู่ส่วนเวทนาจิตก็อยู่ส่วนจิตจิตที่ออกมาแล้วไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นมันดูร่างกายนั้นอยู่ไม่เจ็บ เวทนานั้นเจ็บอยู่ที่ร่างกายแต่ไม่มาเจ็บไม่มาเจ็บอยู่ที่จิตพระจิตมันพาพรากออกมาแล้วมันไม่ขวเข้าไปยึดมั่นถือมั่นกายนั้นแล้วนี่ทําอะไรเราได้ทีนี้เวทนานั้นฝึกข้าวยงมไปฝึกเข้าเกิดเจ็บไายได้ป่วยขึ้นมาหมอรักษาไม่ได้นะ เรื่องนี้หมอไม่มีปัญญาหรอกเอาอยาพระพุทธเจ้าเท่านั้นแหละเอามารักษาเอามารักษาเวทนานี่เวทนาคือทั้งสุขเวทนาก็จิตพลากออกไปทุกเวทนาก็จิตพลากออกไปทุกกรรมสุขเวทนาก็จิตพลากออกไปหลวงพ่อระวังเวทนาอันนี้เวลาฉันอาหารต้องไม่ลืม คำที่หนึ่งสักแต่ว่าธาตุว่างก็เคี้ยวธาตุว่างธาตุว่างธาตุว่างธาตุว่างธาตุว่างกรีนธาตุว่างธาตุว่างธาตุว่างธาตุว่างเกิดสุกเวทนาก็ปล่อยวางว่างทุกเวทนาก็ปล่อยวางว่างเกิดสุขเกิดทุกวางหมดไม่เอาภาวนานับขมาอานทุกวันทุกวันทุกวันจนชินจนติดเป็นนิสัย เพื่อที่จะปล่อยเวทนานั่นแหละเวทนาในอาหารนั่นแหละเพื่อที่จะปล่อยนี่ทาอยู่อย่างนี้จนมันเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็พรากจิตออกมาจากกายพรากจิตออกมาจากเวทนาก็เวทนาความเจ็บปวดก็ยังอยู่อยู่ที่ใครก็อยู่ที่กาย น, น้น กูไม่อยู่กับมึงแล้วเจ็บไปเอถอะท่ามันเลยทีนี้มึงเจ็บถ้าเลยมึงเจ็บไปเลยมึงเจ็บให้ตายกับมึงเจ็บไปเลยกูไม่เอากับมึงแล้วนี่นี่ต้องพูดมันหยาบหยาบ อ, อย่างนั้นนะอย่าพูดโอ้ oh, ฉันไม่อยู่กับเธอแล้วนะฉันออกมาเสียแล้วไม่ไม่ได้อย่างนั้นบอกกูไม่เอากับมึงแล้วเลิกกันเลิกกันนี่ ต้องหยาบหยาบอย่างนี้กับกิเลสนั่นไม่หยาบไม่ได้หลวงพ่อไม่เคยพูดมึงพูดกูหรอกกับคนกับเด็กกับเล็กหรอพูดเธอพูดฉันพูดนั้นไม่เคยพูดหยาบอย่างนั้นกูมึงนรอไม่เคยพูดเป็นพระเป็นเนนก็ไม่เคยพูดกูมึงแต่ว่ามาพูดตอนนี้พูดกับใครพูดกับกิเลสพูดกับกิเลสเห็นไหมเราต้องพูด ให้มันเจ็บเจ็บแสบแสบให้ถึงกระดูกมันเลยโอด้ถึงกระดูกมันเลยกูไม่เอามึงแล้วมึงจกกระปรกทางนั้นเลยจะไปเอามึงยังไงมึงเจ็บก็เจ็บที่มึงนี่แหละกูไม่เจ็บเพราะกูไม่เอาแล้วเห็นไหมนี้มีสติเห็นเวทนาในเวทนาว่าเวทนานี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยพอนั่งธรรมทิศเจบห้านาทีสามสิบนาทีโอยเมื่อยขา เข็หลังอ้าวก็มึงเข็ดไปดิไม่ใช่กูนี่นั่นเล่นมันดินี่พอเมื่อไอ้ขาเขากูขากูขากูขากูไม่เอาแล้วไม่ใช่กูไม่เอาแล้วขากูขากูขากูหลังกูหลังกูหลังกูมึงเจ็บไอ้ตายกูก็ไม่ไปทําให้มึงมันอยู่ที่มึงตอนนี้กูจะแยกกูออกจากมึงแล้ว กูนี่คือสติปัญญาจิตที่มีสติปัญญาแล้วมึงน่ยมันโง่ไม่ต้องมาอ้อนบอกมนะันหอกไม่ต้องมาอ้อนนี่พอเข็ดหน่อยหนึ่งแมวแล้วอไปยกขาออกมาไว้เป็นขากูแล้วเอาที่เกตที่เมื่อยที่เจ็บที่ปวดเกา็มาเป็นกูหมดนั่นคือไม่เห็นเวทนา ไม่รู้จักเวทนาไม่เห็นไม่รู้จักได้ก็ปล่อยวางไม่เป็นดีนึงโปรยวางไม่ได้นี่แหละมันต้องเล่นมันอย่างนี้ต้องเล่นในหนักแข็งเอาไว้แข็งเอาไว้แข็งใจเอาไว้อย่าไปเป็นทาตมันอย่าไปเป็นทาตมันเด็ดขาดนี่เรื่องกายมีสติเห็นกาย มีสติเห็นกายอกกายเน่าทั้งนั้นเลยเอาราคะมันก็ดับไปราคะในอริยสัจสนะี่ะในอริยสัจสีที่ว่าเหตุได้เกิดทุกข์ก็เหตุได้เกิดทุกข์ก็คือราคะโทราโมหะฉะนั้นต้องเอาอาจุพะไปทาบเอาอาจูาะนี่เนี่ยไปให้ราคะนั้นมันเห็นแล้วมันก็จะได้เกิดความเบื่อหน่ายคลายกำหนัด กลายเป็นวิราคะเอาเป็นวิราคะก็เกิดนิพิทาเบื่อหน่ายคลายกำหนัดนิพิทาวิราคะแล้วก็พ้นทีนี้พ้นวิมุตมันก็เป็นวิมุตเพราะกูไม่เอามืองแล้วเลิกกันแล้ววันสามีภรรยาหย่ากันแล้วเลิกกันแล้วอันหลังง่ายกันแล้วลนิพิทาวิราคะก็คือไม่มีราคะแล้วก็วิมุต จิตน er ั้นก็บริสุทธิ์ทีนี้เป็นจิตที่บริสุทธิ์บริสุทธิ์ที่สันติโอ้สงบสงบเย็นสงบเย็นสงบเย็นสงบสงบสงบสงบสงบเพราะไม่เข้าไปยึดมั่นถือมั่นสันติสงบสงบสงบสงบแต่แล้วก็นิพพานเย็นเย็นเย็นเย็นพราะไฟราคะมันดับแล้วมันก็เย็นเลยมันก็เย็นเลย ไฟตัวาดับมันก็เย็นไฟโมหะเป็นอยเย็นเหมือนกับกองแกลบแต่ว่าไยมันลุกอยู่ข้างน่อยมันร้อนเผาาเๆาๆ ๆ, ๆอยู่ข้างนอยข้างนอกไม่เห็นแต่วยราคะมันออกข้างนอกไฟตทรสามันออกข้างนอกแต่ไฟโมหะข้างนอกมันหลอกหลอนเราแต่ข้างนอยมันร้อน นี่เรียกว่าคอยเย็นควยเย็นควยเย็นควยเย็นเหมือนกับฐานคอยนั่นแหละฐานคอยที่เราองข้าวหรือฐานคอยเอาไว้เราคิดว่ามันเย็นแล้วเราไปจับยังร้อนอยู่ข้างหน้มันยังร้อนโมหะมันถ่านคอยเย็น่านควยเย็นทีนี้ทํำยังไงนี่หลวงพ่อก็บอกว่าราคะก็ต้องเอาอาชุพะ ข้าไปเตีหัวมันโทสะก็เอาเมตตาไปตีหัวมันโมหะก็เอาสติปัญญาไปพินิจพิจารณาจะก็ไล่มันออกไปเอาไปแทนอย่างนี้ไอน้นี่เรื่องของมีสติเห็นเวทนาในเวทนานก็เป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ฉะนั้นพระกิจออกไปเสียไอ้ที่สําคัญต้องฝึกต้องฝึ ก, กเราต้องฝึก แคกดต้องอดทนต้องอดทนพออดทนจนว่ามันเมื่อยอย่างนี้มึงเมื่อยไปเถอะเมื่อยให้ตายกูก็ไม่ยอมมึงหายเองทีนี้นั่นเพราะเราไปเอาใจมันอย่างนี้แหมเหมือนกับเด็กๆกันเนี่ยอะไรก็เอาใจหมดย่า ก, ก็ดียายก็ดีเลี้ยงหลานเสียหมดเลี้ยงเสียหมดเลยนี่เพราะไปเอาใจ ร้องไห้ก็ไม่ได้อารอย์ก็ไม่ได้จะเอาอรอย์ก็ห้หมดห้หมดห้หมดเจ็ดแล้วบังคับไม่ได้เด็กตัวนั้นก็โตขึ้นโตขึ้นโตขึ้ น, นเสียคนเลยที่ีเสียคนนี่แหละเสียคนนี่เมื่อวานนี่ก็ยังบอกโยมยินดีบอกว่าเขียนหนังสือจากเล่มหนึ่งพราะวัติเด็กโรงเรียนนั้นเป็นโรงเรียนเด็กโรงเรียนเด็กที่นี้พอ ย่าพาไปเอาไปถึงก็ไม่ยอมอยู่โรงเรียนต้องการนั้นต้องการนี้นีนน่จะต้องการต้องการแล้วก็ย่าให้หมดแต่ไปโรงเรียนนี่ไม่ได้โรงเรียนนี่ไม่ได้ดื้อไม่ได้เรียวกว่าดื้อไม่ได้ดื้อไม่ได้ก็ต้องเคียนต้องตีกันเลยไอ้ไอ้ไอ้เรื่องที่ว่าอ้าไม่ให้ตีเด็กไม่ให้เคียนเด็กผิดมาก นี่ผิดมากกระทรวงศึกษานะ่ะกระทรวงโง่กระทรวงศึกษาไม่ใช่กระทรวงฉลาดกระทรวงโงแ่แหมม่ไปเรียนต่างประเทศมาได้ปริญญาโทรปริญญาเอกเอาไอ้โง่ของฝรั่งนั่นแหละมาแล้วมันมันก็ไม่รู้จักบุญคุณของครูบาอาจารย์ไม่รู้จักบุญคุณของพ่อแม่เป็นยังไงประเทศสวีเดนเนี่ยเคียนลูกไม่ได้ตีลูกไม่ได้ตีลูกแม่ติดคุก แล้วก็เกิดหัวมันมาทำเมยอย่างนั้นบีบจมูกเนีก่อนเลยไม่ต้องไงมันโตขึ้นมานี่เพราะมันไม่เชื่อมันไม่เชื่อพ่อแม่มันฟ้องพ่อแม่มันคอยฟ้องกับรัฐบาลนู่อนี้พ่อแม่มันก็กินแรงลูกมันอีกแล้วพอลูกมันคลอดมาได้เงินเดือนแล้วได้เงินเดือนได้เงินเดือนก็เลี้ยงมันนั่นแหละนี่มันถือว่านู่น รัฐบาลนั่นเป็นพ่อแม่มันไอพ่อแม่ที่เกิดหัวมันนี่มันไม่ใช่นี่เห็นไหมแา่นั้นพออายุสิบห้าเจมันไปแล้วพออยู่มอปลายนี่มันคอยแล้วมันไม่อยู่แล้วกับพ่อแม่มันนี่นั่นแหละไปเรียนไอเมืองนอกมาไอไปเอาไอขี้ตีนกว่ารังนี่ยเอามาใช้ในประเทศไทยมันไม่ได้อย่างนี้มันต้องเคี่ยนมันต้องตีมันต้องว่ากล่าวมันต้องสั่งสอนกัน แค่นั้นอากรณไหนย่าเลี้ยงยายเลี้ยงก็ได้เรื่องทุกรายแหละทุกรายแต่อย่างนั้นก็เสร็จแล้วเอาไม่อยู่เอาให้มาบวชเราเราจะไปรับภาระมันยังไงเอาบวชถึงเวลาแล้วที่จะโกนผมถึงเวลาแล้วที่จะโกนคิว้วเอาโกนผมคิ้วไม่โกนเอายังไงเนี่ยยังไงว่ามันก็ไม่เชื่อ เป็นยังไงมันเป็นคอมมอนิสต์มากอ่อนพ่อมันเป็นเป็นคอมมอนิสต์แม่ก็เป็นคอมมอนิสต์คอมมอนิสต์กับคอมมอนิสต์มันได้กันแล้วได้ลูกเป็นยอดคอมเลยทีนี้แอนไม่มันดื้่บอกเออเอาได้อย่างนี้นไม่ไม่เอาได้ไอ้พวกอย่างนี้เลิกเลิกว่ากล่าวทางสอนมันไม่เชื่อนี่เด็กคือลูกของยักษ์ของมารอย่างนี้ ลูกของกิเลสตัณหาอย่างมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องตักเตือนตัวเองตักเตือนจิตเองจิตนั่นแหละตักเตือนจิตจิตฉลาดนั่นแหละตักเตือนจิตโง่อีนี้เมื่อเราตักเตือนตัวเองตักเตือนจิตเองฝึกเองอะไรเองมันก็ได้รับผลเองก็ได้รับผลเองเป็นยังไงเราก็อยากที่จะช่วยเหลือผู้อื่น เราก็ตักเตือนคนอื่นถ้าที่เราจะตักเตือนได้ที่จะช่วยเหลือได้เราก็ทำไปทำไปอย่างนั้นนี่คือตามแนวทางของพระพุทธศาสนาจะนั้นกระรวงศึกษานี่ถ้าไปเอาคนที่จบจากฝรังร่งฝรั่งเอาไอ้ไอ้ด็อกเตอร์โง่โงมานั่นแหละมันก็เลยมันเอาโรงเรียนที่อยู่ในวัดดีๆมันก็เอาออกจากวัด ถ้าอยู่ในวัดอย่างนอ้อยก็ได้เห็นพระทุกวันทุกวันมันได้ทำอะไรพระก็เมตตากรุณาดูเด็กๆ เ, เลิกกันเลยเลิกกันเลยเห็นไหมไม่เอาแล้วธรรมะมันไม่เอาจริยธรรมมันไม่เอาสอนไปสอนมาลูกเป็นวัวเป็นควายหมดเห็นไหมตรวงพ่อตอนแรกที่มาตั้งที่นี้แหละพอมาอยู่ได้สองสามปีมีครูก็เอาเด็กมา เราเด็กมาข้าวอบรมวันเสาร์เนี่ยวันเสาร์จะมาทุกวันทุกวันทุกวันวันละสี่ห้องสี่ห้องสี่ห้องหามาๆก็เลยบอกครูว่านี่เอาอย่างนี้ดิเอาอาจะมาจะไปสอนที่โรงเรียนไปจัดการข้าวโรงเรียนดีกว่าไหนๆก็ต้องสอนกันอยู่แล้วไปสอนที่โรงเรียนสปะปดาละครั้งละครั้งวันพฤหัสไปสอนสอนเด็ก ก็เริ่มที่จะขึ้นมอปลายเด็กมอ .4 นะ่ะมันหัวที่หัวแรงไอ้พวกนี้มันกําลังที่จะเปลี่ยนแปลงเพศมันก็เปลี่ยนแปลงร่างกายมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงนี่มันเปลี่ยนแปลงนี่พวกนี้เขาเลยไปสอนพวกนี้เลยอยู่จน21ปีไปสอนนี่ที่ให้สา ม, มนเดรรีไปเมื่อวานน่ะหมอนี่ยนั่นก็ลูกชิดหลวงพอ่อหลวงพ่อสอนมา แล้วมันก็ได้เป็นหมอหมอผ่าตัดประจําโรงพยาบาลน่ะหมอมือหนึ่งตอนนี้ชื่อว่าหมออุ้มนี่เลยมันก็ยังจําอะไรที่หลวงพ่อสอนมันก็ยังจําอยู่นี่ก็พาลูกพาเมียพาแม่ยายขึ้นมาอะไรขึ้นมานี่ไม่ใช่ไปเอาวิชาการังมาของวิชาของการังก็ดีแต่เอาที่ดีดีแต่ไอ้ขี้ตีนการังอย่าเอามาอย่าเอามา มันไม่รู้จักบุญคุณพ่อแม่ไม่รู้จักบุญคุณครูบาอาจารย์นี่แต่ a, มันก็ไม่รู้จักบุญคุณของธรรมชาติเห็นไหมมันก็เสียหายหมดอย่างนั้นฉะนั้นเอาไม่ได้อย่างนั้นเอาไม่ได้เอาไม่ได้ไไดรับไม่ได้นี่ไม่ใช่มันดีทุกอย่างถ้าของกำลังได้ดีทุกอย่างอะไรก็ดีทุกอย่างนี่เห็นไหมมันดีที่ตรงไหนเดี๋ยวนี้ กรรมมันลงโทษแล้วมันก็เลยจนลงจนลงจนลงจนจนไม่มีอะไรกินอะไรเนี่ยมันจนจนที่อยู่มันก็ไม่มีคนเล่รอดเยอะแยะเต็มไปหมดไอ้ว่าในมาอเมริกาไม่ว่าที่ยุโรปเล่รอดพวกเล่รอด ม, มีเยอะแยะไม่มีที่อยู่ที่กินไม่มีงานทํากินกับรัฐบาลรัฐบาลให้กินให้กินจนไม่มีอะไรจะให้แล้ว ก็จนเลยทีนี้นก็จนเลยไม่มีอะไรให้หรือ ม, มีลูกแอปเปลิลจากลูกเนี่นก็นั่งครดอยู่นั้นนั่งกรดอยู่นะกินสิ้นเปลือกลูกแอปเปลิลคนไทยไม่กินลูกแอปเปลิลปอกทิ้งก็รังกินหมดกินหมดเหลือแต่อะไรเหลือแต่ท้ายมันกับเม็ดมันฐานั้นเม็ดมันยังเอาไปวิจัยอีกเอามาเป็นยาอีกอะไรอีก มันจนไปเรื่อยๆ เ, เลยอย่าไปเลยยุโรปมันก็จนอเมริกาก็อย่าไปเลยมยั่วเยียเหมือนกับฝูงหนอนอย่างนั้นะไม่ต้องไปหรอกมันมีธรรมชาติแต่ธรรมชาติของคนมันถูกทําลายมันถูกทําลายหมดแล้วมันก็ระบาดมายัางประเทศของเราที่เป็นพุทธศาสนานี่แหละก็ทําให้เกิดความเสียหายขึ้นมาในด้านกิริยามารยาทนี่เคี่ยนเด็กไม่ได้ เขียนไม่ได้ว่ากล่าวตักเตือนเขียนไม่ได้เนะี่ยมันก็ไม่เชื่อดิว่ากล่าวตักเตือนมันก็ไม่เชื่อดินี่มันเป็นอย่างนี้นี่ในเรื่องของเวทนาเรื่องของเวทนาที่ทาให้เกิดเวทนาขึ้นมานเวทนามันมาจากจิตเพราะมันไม่รู้จักดีมันไม่รู้จักชัว่วแค่มันก็ข้าไปยึดมั่นถือมั่นในดี แล้วมันก็วิ่งหนีชั่วดีดีมันก็ดีชั่วก็อย่าไปเอามันละมันเสียแต่ดีมันก็ดีดีทำดีคิดดีพูดดีอย่ากล้าไปยึดมันถือมันถ้ากล้าไปยึดมันถือมันดีหายอีกดีหายอีกนี่อย่ากล้าไปยึดมันถือมันทำดีแล้วดีหายอีกอย่าให้มันหายเสีย นั่นความยึดมั่นถือมั่นเป็นยอดของพระธรรมถ้าละความยึดมั่นถือมั่นหมดทุกอย่างก็เป็นพระอระหรันทรูปาราคะอรูปาราคะมานะอุตตจัรวิช า, านั่นคือกิเลสตัวที่ทําให้เราเข้าไปยึดมั่นถือมัน่นถละพวกนี้หมดละพวกนี้หมดก็ว่างที่ว่างจากกิเลสนั่นแหละ แล้วก็อยู่สบายอยู่สบายมันเบามันเบ า, เบาอยู่สบายเบานั่นคือละความยึดมัน่นถือมนนันก็คือละกายละกาย ก, ก็ก็ละเวทนาละเวทนาล้วต้องละกันอีกใจมันหมดแค่นั้นละจิตละจิตเจ้าละไปหน่อยหนอ่ยจิตหนมันมีตัวไหมตัวมันก็ไม่มีสีมันก็ไม่มี แสงมันก็ไม่มีลักษณะมันก็ไม่มีลักษณะเป็นยังไงลักษณะเป็นรูปร่างหนะ้าตาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นจิตก็ไม่มีอีกอันหลยถ้าเราข้าไปยึดมัน่นถือมัน่นสิ่งที่มันไม่มีนะ่ะมันลอมหลมแ ล, ลงแร ง, งฉะนั้นมีสติเห็นจิตในจิตว่าจิตนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ว่าทาไมนักวิทยาศาสตร์ไม่เห็นนะ่ะ ว่ามันไม่ปฏิบัติตมามอริยมร์ไม่องแปกและก็ไม่เห็นไม่เห็นสิ่งนี้ไม่เห็นความเพียรไม่เห็นสติไม่มีปัญญาเก็นได้อย่างไงก็เลยคลุกอยู่กับวัตถุวัตถุวัตถุคลุกอยู่กับวัตถุนั่นแหละจนมันตายกันไปข้างหนึ่งใครตายส่วนมากไอ้คนที่พิสูจนั่นแหละตายตายนี่มาวานมวาวันซีอนเอ้าวทางอะไร โน่นข้างๆจีนนั่นแหละที่มันทะเลาะกันอยู่ทะเลาะกันอยู่นะเนอะไอเหนือเหนือใ ต, ใต้ใต้นั่นแหละอ้าวมันก็ทดลองทดลองจะตรวจทดลองไปทดลองมาระเบิดเลยไม่ขึ้นไม่ขึ้นนี่แล้วมันไม่ต้องไปอวดดีหรอกไม่ต้องไปอวดดีดีนี่มันไม่ตายนะนี่ต่อไปเนี่ยมันจะ ระเบิดมันก็จะต้องตายอีกอะไรอีกเนี่ยมันก็ทดลองกันทดลองกันทดลองกันมันมีแต่วิทยาศาสตร์นั่นแหละมีแต่วิทยาศาสตร์ทดลองแต่วิทยาศาสตร์กันอะไรกันแต่ทําไมไม่ทดลองในเรื่องของการปฏิบัติธรรมแล้วไอ้มันได้ดับทุกขพวกเราที่มานั่งกันอยู่ที่ตรงนี้ที่มานั่งกวางหลวงพ่อนี่อย่าลืมว่าพวกเรานี่นักทดลอง นักทดลองเราวิจัยว่ากายเป็นอย่างนี้อย่างนี้เวทนาเป็นอย่างนี้อย่างนี้จิตเป็นอย่างนี้อย่างนี้ธรรมชาติเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทดลองนี่เรามาทดลองทีนี้จิตจิตมีสติเห็นจิตในจิตว่าจิตนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตนี้ตัวรู้รู้นั่นก็เกิดดับ รู้นั้นก็ว่างจากตัวตนโดยรูปประธรรมมันก็ไม่มีตัวตนอยู่แล้วโดยนามธรรมมันมีแต่ชื่อแต่มันไม่มีตัวตนแต่มันก็ข้าไปรู้ไปรู้อันนั้นอันนี้อันโน้นรู้ไปเรื่อยรู้ไปเรื่อยรู้ตั้งแต่อะไรตั้งแต่เท่าเม็ดขี้ฝุ่นจนรู้ไปถึงดวงดาวดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มันรู้หมด แต่มันเสียท่าเสียท่าที่ไม่รู้ตัวเองคือไม่รู้ตัวจิตเองนั่นแหละไม่ศึกษาตัวจิตเองมันก็เลยรู้ทั้งหมดนั้นกลายเป็นฟาวหมดรู้โง่รู้ทุกรู้ที่มันเป็นทุกก็รู้ที่ยึดมั่นถือมั่นเพราะจากนั้นมันต้องรู้ลึกเข้าไปอีกลึกเข้าไปอีกรู้แบบไอ้ตายก็รู้ไปเถอะ รู้ไปเถอะไอ้สตายนะ่ะเขารู้แต่ว่ายังไม่ถึงอริยสัจเขารู้ไปพิจารณาไปวิจัยรู้รู้ตั้งแต่เปลือกของมันรู้ตั้งแต่เนื้อเนื้อในของมันรู้ตั้งแต่ไอ้ท้ายของมันพอเสร็จแล้วไม่เห็นมีอะไรมีแต่อากาศมีแต่อากาศจนหมดรู้พิสูจน์จนไม่มีอะไร หมดรู้รู้ว่าอะไรรู้ว่าไม่มีอะไรพอพี่สูตรไปพี่สูตรไปพี่สูตรไปวันพี่สูตรมาพร้าวอย่างนี้เอาข้างนอกเปลือกปอกเปลือกออกอมีกะลาเอากะลาออกมีเนื้อพี่สูตรเนื้ อ, อมีน้ําพี่สูตรน้ําไม่มีอะไรไม่มีอะไรนี่เป็นหนทางที่ดีแล้วพี่สูตรอย่างนี้ ทีนี้ไอพ้พิสูจน์อย่างนี้ดึงเข้ามาที่ดึงเข้ามาเลยมารู้ข้างหนยจิตเป็นอย่างนี้อย่างนี้มีสติเห็นจิตใน จ, ตจิตว่าจิตนี้ไม่ใช่สัตว์ e. ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตก็สักแต่ว่าจิตสักแต่ว่ารู้รู้แล้วได้หลวงพ่อพูดว่ารู้รู้แล้วก็ปล่อยรู้รู้ตัวกูสิ่งที่ถูกรู้วัตถุข้างนอก รู้ทั้งตัวกูรู้ทั้งสิ่งภายนอกรู้ทั้งวัตถุทั้งตัวรู้ทั้งสิ่งที่ถูกรู้ปล่อยมันออกไปมันไม่มีตัวตนทางนั้นว่างจากตัวตนพุทโธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานทำไมพระพุทธเจ้าเราไม่ตรัสว่ากูรู้นี่นี่กูรู้นี่กูปฏิบัติจริงกูรู้จริงกูรู้เมื่อตอนที่วัน เ, เพนเดือนหก แต่ตอนใกล้ลุงกูรู้นี่กูรู้นี่ไม่มีพระพุทธเจ้าไม่มีก็เลยกลายเป็นผู้รู้แต่พระบางรู้พอปฏิบัติไปกูรู้กูรูนะกูรู้จริงนะในเวลานั้นในเดือนนั้นในปีนั้นกูรู้จริงๆนะนี่นั่นแหละมานะมานะมันเรียกว่ายังทิ้งไม่หมดเพราะมันยังมีตัวกูรู้อยู่ โปรยต้องตัวกูผู้รู้ปล่อยทั้งสิ่งที่ถูกรู้คือธรรมะที่ถูกรู้นั่นก็ต้องปลปอยต้องล่อยเช่นเดียวกันนี่ไอจิตโง่นะ่มันรู้แต่ว่ามันไม่เป็นกูรู้ก็แยกไอกูรู้นั่นออกไปอย่ามีกูมีแต่ตัวผู้รู้นี่เรียกว่ามีสติเป็นจิตในจิต ว่าจิตนี้ก็ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไ ม, ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาจิตนี้เกิดดับจิตนี้ว่างจากตัวตนเช่นเดียวกับอย่างอื่นเช่นเดียวเหมือนกับกายเช่นเดียวเหมือนกับเวทนากายนี่มันเปลือกมะพร้าวเวทนามันเนื้อหน่อยมันน้ำ ม, มันจิตนี้มันภายในยมันอีกทีกนี้มันมองไม่เห็นท้งนั้นมองกับตาไม่เห็นพวกนี้ ไม่ต้องมองมองกับตาแต่ต้องมองกับตาปัญญาตาปัญญามันจะเห็นหลับตาก็เห็นปิดตาก็เห็นเพราะมันตาปัญญานี่มันเห็นหมดที่หลับตามันก็เห็นปิดตามันก็เห็นเห็นอนิจจังเห็นอนัตตาเห็นสุญญตาที่จิตนั่นเห็นไหมเพราะฉะนั้นจิตก็ต้องปล่อยจิตไม่เอาจิตมาเป็นตัวกูเหมือนกับอากาศอย่างงี้ เันอากาศว่างจากตัวตนแล้วคุณจะเอาเมือกเอาดินโสอะไรไปแต้มเอาสีไปแต้มอากาศแต้มได้ไหมแต้มไม่ได้มันไม่มีตัวตนนี่มันว่างจากตัวตนมันว่างจากตัวตนไปแต้มสีไปแต้มอะไรไปเอาอะไรไปให้มันผมไม่ได้ไม่ได้ไไดนี่มันว่างจากตัวตนทางนั้นเนี่ยนี่เรื่องของการมีสติเห็นจิตในจิต ว่าจิตนี้ไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาทีนี้เราก็ไม่โลภไม่โลภในการที่จะเอาบรรยายให้มันมากๆให้หัวข้อมันมากๆแค่นี้โยมก็กินไม่หมดแล้วนี่เหลือแต่มีสติเห็นธรรมในธรรมแต่เวลาก็น่าจะสมควรแล้วแล้วสองชั่วโมงครึ่งเข้าไปแล้ว อันนั้นเ อ, เอาไปพินิษพิจารณาให้ดีๆที่หลวงพ่อพูดให้ฟังนี่การบ้านการบ้านโฮมเวิร์พภาษาอังกฤษก็เรียกว่าโฮมเวิร์เอาไปทำที่บ้านเอาไปทำที่บ้านเอาไปทาที่สำนักงานการบ้านนี้ให้เราก็จะรู้ตามความเป็นจริงขอความสุขความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่ญาติโยมจงทุกๆท่านเถิด